นั่นเองตงนับสองท้ายปีเก่านับสุดท้ายข้างมามาอีกทีได้ไหมครับมาอีกงานนี้แล้วจะไฉลมปีสงท้ายปีเก่าปีเก่ากันใช่ไหมปีงานเอมงานเยอะวันวที่หนึ่งมกรานี้ปกติที่วัดมีกิจกรรมพิเศษอะไรไหมครับหรือว่าธรรมดาวันที่ก็ก็คนจะมาทำบุญาม การะัเทิงหรือว่าวันวันที่หนึ่งเป็นวันเริ่มต้นของปีนะจะมาทาบุญกับก็ของใจเยอะเหมือนเม่เช้านี้เรื่องอาจจะมากกว่ามาแต่การบินบาทบันรบัคลากรก็ยังเป็นปกติอยู่มันดิมไมมีการจัดพิเศษรอบสาลาร์มมีเพียงวันตารบาตรเทิงเทะานั้นที่ต่างบาทในวันนอกนั้นก็ออกไปบินทบาท ตามปกติที่วัดเมีงานประจำปีอยู่สองสองสองสองครั้งหรือต้นเดินม ก, กราวันอาทิตที่สองของม ก, กราทุกปีเราจะนิมนวนพระมารับสังฆทานช่วงต้นปีนีครับนิมนเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารูปมารับถวายรับสังฆทานแล้วก็ วันวันนี้วันสองกลาจแค่นิ้มูลทานมาห้าร้อยกว่าห้าร้อยบวกกับหมายได้ของปีคือถ้าปีห้าหนึ่งก็ห้าร้อยห้าสิ็ดถ้าปีห้าสองก็ห้าร้ยห้าสิบสองสุดทำมาเกาือยี่สิบปีแล้วแต่เริ่มสร้างรัา ม, ม า, มาที่รนนี้เขามีความเชื่อของเขาอยู่ คือก็มีเรียกว่ากุณซือซื อ, ซอที่เขาเรียนนั่งภายในเป็นเท้ามหาพรหมเท้ามหาพรหมอะไรชื่อวิรุฬหกะเขาก็จะไปเป้าเท้ามหาพรหมแล้วก็รับ เขาปึกษาจากท้าวมหาสมาจะทำย่างไรให้วัดจริญรุ่เรื อ, องหรือเขาปรารถนาอะไรเขามาจะปึกษาแับคือมีคนที่เขาเข้าส่งที่เข้าส่งน้ำมีท้าวมหาส่งให้มาปรากฏให้คาแนะนำต่างๆก็เลยก็เลยคิดว่า เขาคงแนะนำให้ทำมหาสรารคานที่เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ทำในในในคำสอนของพระพุทธเจ้าพรุทธ้าสองนงอนบิจริญก็ไม่เสื่อมเดิทนทางเลครับไม่ได้ให้ยึดติดกับเรื่องต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปวัดที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าในสมายพุทธกาลก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วาไปไปไปตามสถานคูชานินสถานก็มีแต่ซากฟ้าพักขระที่ จึงไม่ช่วยให้ความสําคัญต่อด้านวัตถุวัตถุเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนด้าน จ, จิตใจเช่นมือร่างกายก็ต้องมีปัจจัยเสื่อมทอี่อาศัยพระก็ต้องมีวัดแทนที่จะมีหมู่บ้านญาติโยมก็ปลูกหมู่บ้านกันอยู่ในหมู่บ้านปลูกคนโดอยู่กัน ก็ตกเสหายนสนามในบริเวณเรียกว่าวัดนั้นแล้วมันก็มีการเจริญน่าเสื่อมในในสมัยปัจจุบันในแต่ละยุค ข, ของคูบาจารย์ท่านก็เป็นอย่างนั้นสมัยไหนคูบาอาจารย์ท่านมีชีวิตอยู่สมัยนั้นก็จะมีการความเจริญรุ่งเรืองพอท่านมาหน้าภาพไปแล้ววัดนั้นก็กลายเป็นวัดร้างไป วัดลวงปูแหวนตอนนี้มีใครไปไปบ้างวัดหลวงปุ่ฟ้านวัดหลวงปู่ขาวัดหลวงปู่เทพ mm hmm. ก็ยังมีไปบ้างป่อการแต่แม่เหมือนกับสมัยที่ท่านอยู่ชีวิตอยู่เพราะคนที่ไปก็ไม่ได้ไปดูวัดกันเขาไปดูธรรมะกันเขาไปฟังคําสอนของท่านที่สามารถช่วย ทำให้จิตใจของเรามีความเงื่องนงันเป็นสิทธิ์ทำให้จิตใจของมีความทุกข์น้อยลงหรือมีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ลงเลยอยู่เลยได้ับต่างหากที่เป็นจุดที่เป็นเป้าหมายของการปไปวัดกันเราเลยไปวัดดูใครดูเจดียด์ที่สวยงามโบสถที่สวยงาม อันนั้นก็เป็นเพียงองค์ประกอบ่นะดีก็ได้ไม่ดีามไม่เสียหายตรง ว, วันหลวงตาท่านจึงไม่เน้นเน้ น, น, นทางบ้านถาวรแล้วัตถุท่านก็มีไว้พอที่จะใช้งานได้ก็มีกุติพอพอประมาณไม่มากเกินเกินไปก็ทำดีมากๆถ้ากุติอยู่ใกล้ชิด ก, กันมากควา่าวมเว่ยๆมันก็จะหมดไป แต่มีความบันทึกคือโครแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างแบบวิจิตรศิลป์สร้าเพื่อให้มันใช้งานได้พอๆศาลาของท่านนั้นตั้งแต่สร้างวัดนาก็ยังไม่ได้ดีแต่เพียงแต่ยกพื้นขึ้นไปให้สูงเพราะมีคนมามากขึ้นแล้วศาลาชั้นบน พื้นที่ไม่พอเกลียดยกยกพื้นคึ้นแ้วใช้พื้นขน้าง่างแทนเพราะงั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรับวัตถุก็ตามอย่าไปนหลงอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้มันเลิไปตลอดเพราะมันเป็นไปไม้ได้มนม การเจรจาอย่างการเสี่ยงเส้นธรรมดาเราอยากไปเสียเวลากับการที่จะมาคอยดูแลรักษาถานบารมวถัถวสร้างไว้ก็ได้ไม่เสียหายถ้าอย่าจะสร้างเจดีสร้างโบดสร้างอะไรก็สร้างไปสร้างเสร็จแล้วก็ตำนุดูมาไปตามตามฐานะของมันมันจะเสื่อมก็ให้มันเสื่อมไป ถ้ามีปัญญามีอนุชนรุ่นหลังก็มาเรามีศรัทธาเพราว่าสร้างขึ้นมาใหม่เองเหมือนพวกเราที่มาสร้างกันมาทำรูปบำบองเพราะพุทธศาสนากันก็ทําำไป ต, ตามตามยุคตามสมัยแต่สิ่เหล่านี้ไม่ได้เป็ น, เ ป, นเป็นงานหลักของพุทธศาสนากนานมาฟังสาวฟังกชนก็คือการ ทำรูปอารมณจิตใจการสร้างพระขึ้นมาในจิตใจพระแปลว่าปเกษตรสร้างพระก็หมายถึงสร้างผู้ปเกษตฐขึ้นมาในใจของเราผู้ที่จะปะเกษตฐได้จะต้องเป็นผู้ที่สงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงถ้ามีความ โ, าามโลภความโกรธความหลงแล้วจะไม่สามารถตั้งอยู่ ในความประสบได้เพราะความโลภจะคอยขับยันให้ไปแสวงหาสิ่งต่างๆเมื่อมีอุปสรรคมีปัญหาในการแสวงหาด้วยวิธีสุดจริตก็จะหาวิธีที่ไม่สุดเจริตเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาตนต้องการเมืเม่อทำาดังนั้นจะประสบได้อย่างไร เมื่อไปเบียบีนผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้มาในราบยศสุดเสร่อสุดอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางการปกครองเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นกษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิก็ต้องมีการต่อสู้กับผู้ที่เขาเป็นอยู่เดิม ต้องมีสารโคนทำลายผู้ปกครองเดิมเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการตัวอย่างในอดีตที่มีสงคารามกันก็เพราะความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีอำนาจครอบงำผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ากได้ จนปรากเป็นจักรวรรดิขึ้นมาจักรวรรดินิยมมีนนา้มีเครื่องม้เครื่องมือมีอาวุธก็ออกเป็นต้อนไปกว้านเอาพื้นที่มาอยู่ภายใต้การปกครองขั้งตมแต่ไม่คิดถึงกองทุกข์ทรมานที่สร้างให้แก่ ผู้อื่นที่ต้องถูกทำลายไปศึกษาประวัติศาสตร์ยังก็จะเห็นว่านี่เป็นวิถีชีวิตของความโลภความขกรธความหลงจะเป็นอย่างนี้ส่วนวิถีชีวิตของความไม่เข้าไม่โกรธไม่หลงก็พระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นตัวอย่างทรงสรัทธาจะสมบัติทง อมบวบบวบตั้งอยู่ในสีแล้วก็ต่อสู้เพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจให้สิ้นไปเมื่อได้บรรลุผลแล้วเป็นผู้เกษตรแล้วก็ยังอุตสาหคิดถึงผู้อื่นมีความสงสารอยากจะให้ผู้อื่นนั้นได้ พบกับความอาตรจังของความไม่รูมไม่โกรธไม่หลงก็นำเอาสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาสาั่สอนให้แก่ผู้อื่นมีผู้อื่นที่มีความสามารถทางหน้าสติปัญญาเข้าใจถึงความประเสริฐอันนี้ก็น้อมนำไปปฏิบัติกันเป็นจำนวนมาก จนปรากฏเป็นพระอาจารย์ภาษา ม, มามีเป็นจำนวนมากมากจนถึงปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปเรื่อยๆภาบใดยังมีการปฏิบัติมีการสั่งสอนมีการศึกษาอยู่นี่แหละเป็นยุธีทางที่ถูกต้องที่สุดถูกต้องตามหลักธรรมชาติของใจ เ้อใจไม่ต้องการอะไรนอกจากความเป็นอิสระจากความโลภความโกรธความหลงนี้ใจถูกความโลภความโกรธความหลงนีก้กดขี่สร้างความทุกข์ให้ไม่รู้จักจบจากสิ่งมาเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้กำจัด ความโลกความโกรธความหลงนี้ให้หมดไปจากจัตใจถ้ะทําได้ก็ต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนเพราะโดยลำพังขขงจับโลกแต่ละแต่ตนแล้วจะไม่สามารถที่จะสั่งสอนตอนเองให้กําจัดความโลภความโกรธความหลไม่ได้ ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหนึห่งในแสนล้านหีหนึ่งในล้านล้านของจักรโลกนี้ที่มีบารมีพอที่ได้มีความอดทนอด้นพอที่จะสะสมบุญบารมีมาแต่ละพบแต่ละชาติจนได้มีบารมี พอที่จะกำจัดติเลตปัญหาให้หมดไปจากจิตใจได้การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเวลาที่พระพุทธเจ้าจะปรากฏแต่ละครั้งนั้นช่วงระยะเวลาก็ห่างกันมากถ้าเราเอาเอาเวลาของเรามาวัดนี้ แต่จะวัดไม่ได้เพราะเวลาชีวิตของเรานี้มันสั้นมาเหนือนกับช่วงขณะของไม้ขีดที่เราจิดขึ้นมาเพียงช่วขณะหนึ่งมันก็ดับไปแล้วส่วนเวลาที่ว่างระหว่างการปรกฏของพระพุทธเจ้าของของแต่ละองค์นั้นก็เหมือนช่วงเวลาตอนนึางคืน24ชิบส12ชั่วโมงโยกตัวยอย่างให้ดูแบบ ่าย่ายเมื่ออยู่สิบสองชั่วโมงแต่เวลามีพระพุทธเจ้ามีพระมุทษาศาสนามาปรากฏ้เหลึ่งช่วงวูกหนึ่งของของแสงไม่ขีดที่เราจุดขึ้นมาระยะห้าพันปีที่ศาสนาพุิมอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกับแสงสว่างของไม่ขีดนันหละหนึ่งช่วงวูบเดียวมันก็หมดแนละ้วแล้วหลังจากนั้นก็ต้องรอ ถหามีร <c oughs> พระเจ้าองค์ใหม่มาจุดไม่ขีดขึ้นมาอีกครั้งถ้าทายได้เปเกิดในช่วงที่มีเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่าง <c oughs> และถ้าเป็นผู้ปรารถนาฝ่ายความุดทนจากความทุกข์ปรารถนาความเลิ่อนอันตรเอเสดของจิตใจก็จะได้รับประโยชน แต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องในเรื่องของของความประเสริฐของจิตใจว่าเป็นอย่างไรถึงแม้จะได้มาเกิดในยุคนั้นในสมัย น, นั้นที่มีแสงสว่างแห่งธรรมมีพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใต่อย่างใดแม้แต่คนที่อยู่ร่วมกันใกล้ชิดกันสามีภรรยากันภรรยาได้รับประโยชน์ ดู้เห็นคุณท่าของแสงสว่างแห่งธรรมแต่สามีกับเหมือนกับคนหึงโง่ตาบอดไม่ได้รับประโยชน์เลยทั้งที่ปัญญาก็ปยาญาจะโน้มน้าวปยาญาจะจุดดึงเข้ามาแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเข้ามาเป็นเท่าไราติโยมที่มีฟ่าด้วยกันทั้งสามีทั้งปัญญานี้ดูจะมีไม่ค่อยมาก เท่ากับมาันเองนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตของแต่ละคนนั้นได้รับการพัฒนาได้รับการอบรมสมรั่งสอนมาให้เข้าใจถึงหน้าที่หรือเป้าหมายของชีวิตของตนเองนั้นมากน้อยต่างกันเพือที่เข้าใจว่าการพัฒนาจิตใจนี้เหละเป็นที่หน้า หน้าพี่ที่ถูกต้องน้อยกว่าผู้ที่เข้าใจว่าการพัฒนาทางด้านน่ า, าบยศและแสงสุดพวกนี้จะมีมากกว่าถึงแม้จะมาเกิดในยุคที่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็จะไม่ได้รับเปวถ้าเปรียบเทียบจำนวนก็เหมือนกับ เขาวัวกับขนวัวพวกที่รู้เชิงถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตใจก็เป็นหนึ่งพวกเขา ว, วัววัวตัวหนึ่งก็มีเพียงสองเขาซ้ายขวาพวกที่ไม่รู้เึ่งถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตใจก็เป็นหนึ่งพวกขนวัวมีเต็มเต็มทั้งตัว นับไม่ถ่วนดังนั้นเรื่องของคนอื่นเราจึงไม่ควรที่จะใส่กำลังว่าเป็นเกินไปถ้าเรารู้อะไรดีเราสามารถโน้มาวให้เขาได้รับไปเลยได้ก็ดีไปถ้าเขาไม่สนใจก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่หรือไม่ได้เป็นปัญหาของเราแต่อย่างใ เราได้ทาหน้าที่ของการปัญญามื่อนีที่ดีแล้วถือเห็นว่ามีอะไรดีดีจริงๆดีอย่างแท้จริงชี้บอกแล้วถ้าไม่สนใจก็ถือว่ามันเป็นเป็นเป็นกรรมของเขาเขายัางไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าถึงธรรม ไ, มได้ดังใน ดงในบทธรรมคุณที่สแสดงมา ว, ว่าปัจจัต่ังวินยูวินอยาง When you, When you ไรนะเรียกว่าเมริทับโววีนยูบบ อ, อะไรเนี่ยต้องท่องแต่ต้นอีกยันได้ก่อนแต่ความหมายก็คือว่าทำนี้จะรู้ได้จากวินยูชนวีนยูชนก็คือที่มีอินทรีย์ปัญญาปัญญาอินทรีย์มาก อินทรีย์นี่มันมีอยู่ในทุกคน่มีอยู่ห้าส่วนมีสมาธิมีศรัทธามีสติมีสมามส ธ, ามธมมาิมีปัญญามีวิรยาแต่บอินทรีย์นี้ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ในทางโลกกันในทางการสวงหาลาบลึกสรรเสริญสุด น, น้อยคนที่จะได้อินทรีย์ที่จะมาใช้ในทางปัญญาทางศาสนา ทางพัฒนาจิตใจเพราะปัญญาก็ไม่ได้เป็นปัญญาที่มุ่งมาทางนี้กันนอกจากผู้ที่ได้รับการอบรมมาในอดีตอาจจะเคยพบพระพุทธเจ้าในอดีตการมาก่อนได้เคยสัมผัสกับพระธรรมคา ส, สอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่จนมีนิสัยติดมาในทางนี้ก็จะเห็นคุณค่าของการ ของการบำเพ็ญของการพัฒนาจิตใจให้สะาดบริสุทธิ์อันปรศจากกิเลสปัญหาัางนั้นเรื่องของคนอื่นก็ mm hmm. ก็ดูแลกันไปเท่าที่จะดูแลได้สอนกันได้เท่าที่จะสอนกันได้แต่เรื่องที่ควรจะสอนมากที่สุดก็คือตัวเราเองพัวยางดูแลตัวเราเอง ตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นดูแลแทนเราไม่ได้และเราก็ดูแลแทนคนอื่นไม่ได้ในเรื่องของการพัฒนาจิตใจในเรื่องของการชั้นละกำจัดความโลภความโกรธความหลงทำได้ก็ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าและพระครูอาจารย์ทั้งหลายได้ทำกันได้พยายามอบรมสั่งสอนอยู่เรื่อย ต่อผู้ที่มีความสนใจต่อผู้ที่มีความศรัทธาผู้ที่มีบุระยามีความวิสาหะภาคเปลี่ยนที่จะปฏิบัติที่จะละความโลภความโกรธความที่จะละความผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆภายนอกใจผู้นี้เจะเป็นผู้ที่จะ ได้รับประโยชน์ที่จะมีโอกาสดุดพ้นจากการเวีว่ า, ายายเกิดยากไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่อั ต, ตาหิอัตโนนาถูอยู่ที่การน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติน้อมเอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารมาเป็นตัวอยา่าง ท่า mm hmm. นดำเนินชีวิตอย่างไรเราต้องพยายามดาเนินให้เหมือนกับท่าน mm hmm. ให้ได้เหมือนกับเวลาเราชอบดาราคนไหนเราเห็นเขาแต่งใช้ทรงผมชนิดไหนใส่เสื้อผ้าแบบไหนเราก็ทำแบบนั้น mm hmm. อย่างนั้ น, นง่ายเ mm hmm. พราะมันทาเพียงแต่รูปประทําทำเพลียนภายนอกไปเปลี่ยนทรงผมไปย้อมผม ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมือนกับจาราที่เราชอบแต่ที่จะมาเป็นเหมือนกูบาร์จานี้มันยากคืต้องออกจากบ้านไปอยู่วัดนี้มันยากค่อเราทานนี้เดียวต้อเราเดินจงกรมน่าสมาธิทั้งวันจริยนสติทั้งวันมันยากกว่ามาก แต่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุขที่ใสแล้วก็มีผู้ที่ทำกันมาอยู่ตลอดตลอดยุคทุ ก, กทุกสมัยมาเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีจานวนมากเหมือนกับการทำตามดาราในแบบนม่นางแบบมจะมีเป็นจานวนมากเสื้อก่า ที่ดาราลาแบบใส่แบบนี้จะผลิตออกมาขายเป็นจำนวนแสนชุดล้านชุดได้แต่เสื้อผ้าที่ผลิตให้กรูบาจาร์ใส่ขายไม่ค่อยออกกันถ้าซื้อก็เม่ซิ้นมาใส่ยเยซื้อไปให้คนอื่นซื้อไปกับไอ้พระพระก็มีเต็มตู้น้อยตู้ มันทำบุณให้ถูกทางอย่าไปทำกิน่างนั้นเอาเวลาเอาเงินที่เราจะมาซื้อของตะว า, าพนพระนี้เก็บไว้แล้วลาออกจากงารมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะจะได้ประโยชน์มากกว่า เนี่ยต้องดูทานเป็นตัวอย่างท่านสละทรัพย์สบัติทั้ของเงินทองสละท้ามีปัญญาสละมือสละบ้านสละงานสละตำแหน่งแล้วทาสก็ออกปฏิบัตินะครับถอนที่ทําได้มันมันเปรียบเทียบกันได้หรือเปล่ามันคุ้มค่ามันยิ่งขอบคุมเป็ลตสละของที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจ เพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับจิตใจนี้กลับมองไม่เห็นคุณค่ากัหดกลบเห็นการอยู่กับสิ่งที่ไม่มีคุณค่านี้มีประโยชน์กว่าการที่เราจะตัดจะละมันไปถ้าเราเห็อย่างนี้แสดงว่าเรายัางไม่มีปัญญายัางเป็นมิจฉาทิจฉ์ยังเห็นกงจกากเงินดอกด้วย เห็นภาพด้วยสรสัมพนสุขคือการมันสุขเป็นเป็นดอกดัวเห็นการไปปฏิบัติอยู่ตามสถานที่สงบสงับเรื่อยห่างไกลจาก ค, จความสุขทางตาหูจมูกจึงการเป็นเหมนกงจับที่บาดใจที่ทุกครั้งเวลาจะไปแต่ละครั้งรู้สึกว่าทุกข์เหลือเกินยากเหลือเกินลำบากเหลือเกิน แต่ทุกครั้งที่ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้นกลรู้สึกว่ามันง่ายแล้วเกินมันดีหลือเกินแต่ไม่ได้ดูผลที่ตามมาว่าเป็นอย่างไรผลก็คือยังวุ่นวายใจยังเดือดร้อนใจยังยังหวาดวิตกกับการสูญเสีย กับางที่จะอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แต่ทางที่อุูบาอาจารทั้งไปนั้นมันอาจจะเป็นความทุกข์ในเบื้องต้นที่จะต้องปรับตัวเองให้อยู่กับความอดยาขาดแคลนหรืออยู่แบบมากน้อยสัง่งโดดแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ที่แท้จริงมันเพียการปรับตัวปรับใจเท่านั้นเองใจเคยกับอย่างหนึ่ง พอจะต้องมาทำกับอีกอย่างหนึ่งก็จะรู้สึกไม่ถนังจะรู้สึกว่ามันยากแต่พอได้ฝืนทำไปสักระยะหนึงแล้วมันก็กลายเป็ น, นยิสมใสไปกลายเป็นของงานไปแล้วผลที่ได้รับจากการอยู่แบบสงบอยู่แบบสมถะอยู่แบบเลียกง่นยอยู่แบบปราศจากความรู้ความโกรธความหลง มันเป็นใจที่มีแต่ความสุขมีแต่ความมั่นคงไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความหวังหวต่อการสูญเสียต่อการจากไปของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆนี่แหละเป็นผลที่เราไม่ได้มองกันเรามองแต่ผล <c oughs> ชัว่วขณะที่เราได้จากการที่เราไปกระทํา แต่เราได้ออกไปเที่ยวเราก็จะรู้ส <the S 1> ึกมีความร่าเรใจที่มาทันทีเวลาเราอยู่บ้านเรารู้สึกว่าเวห์เหนืหอยพอมีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวเราก็ดีออกดีใจที่มาเป็นความสุขชั่วขณะนั้นแต่พอเรากลับมาที่บ้านเราก็ว้าวเวเหมือนเดิมมีความหวาดยิตกมีความกังวลมีความไม่มั่น คงอยู่ในใจเหมือนเดิมไม่เหมือนกับการที่เราไปอยู่ในสานที่ที่สงบสงัดวิเวทปราปจากลูกเสียงกินรถโผฏฐาภะเวลาไปนี้ค่อนข้างจะลำบากจะต้องฝืนใจจะต้องบังคับใจให้ไป พอตายแล้วถ้าปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจนกระจัดปัญหาคือความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้แล้วไม่มีอะไรจะแสนสบายเท่ากับใจดวงนั้ใจ่างนั้นจะมีแต่ความสบายมีแต่ความอิ่มความพอไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวของตาเรที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตนเองก็ดีหรือเกิดขึ้นกับผู้อื่นก็ดีก็เป็นสิ่งที่รับได้เป็นสิ่งที่ไม่ไม่มากระทบกระเทือนกับความสุขของใจงนี่แล้วถึงเั้าหมายที่นัก้วชหรือวิวญูชนทั้งหลายเขามองไปมองไปตรงที่จุดนั้นถ้าเป็นผว อ, อคนโง่ก็จะมองไปตรงที่ ขณะที่ได้ทำในสิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจอย่ไม่ได้มองถึงผลที่ตามมาที่หลังหลังจากที่ได้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆแล้วจิตใจเป็นอย่างไรบ้างจิตใจมีความอิ่มมีความพอมีความสบายใจหรืออย่างมีความว้าเหวมีความเหงาหงอยมีความอยากที่จะออกไป สแสวงหาความสุขตา่างๆอีกเราต้องลองตรงจุดนั้นเมื่อเรามองตรงจุดนั้นเราก็จะรู้ว่ามันไหนเป็นโกงจักมันไหนเป็นดอกบัวนั่นนะคือโกงจักความเศร้าซ้อยว้าเหวงเหงาหงอยความหวาดกลัวความวิตกตั้งวรความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเหล่านี้มันเป็นผลที่เกิดจากการสแสวงหาราบหรสอแสวงหนคามสุ แต่ความมั่นคงความสบายอกสบายใจความเบาอกเบาใจความพอใจความอื่มห น, นำสำรางใจนี้มันเกิดจากการละลาบกาละการแสวงหาหสสน้าที่สุขมันเกิดจากการกําจัดความโลภความอยากให้มันขึ้นไปจากตัวจากธรรมดังนั้น งานของเราก็อยู่ตรงนี้งานของเราก็อยู่ที่การละความสุขทางโลกแล้วก็มาสร้างความสุขทางใจด้วยการบำเท็ด้วยการปฏิบัติทั้งทางทั้งเสียทั้งสระ ท, ทั้งปัญญาทางการศึกษาได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อ ย, เ, อยเพราะการปฏิบัตินี้จะต้องมีมครูคอยสอนเหมือนกับนักกีลา นักกีฬาที่จะเป็นนักกีฬาระดับเอกได้ก็ต้องมีครูที่ถืสอนเช่นลูกพกไในยินเมื่อวานว่าถ่ายตูวนี้ก็พอเขามีความตั้งใจที่จะสอนลูให้เขาให้ตีกอลให้เก่งรู้สึกว่าจะได้ไม้กอลฟตั้งแต่อายุแค่สามปีมนเ น, เ น, นาะสปี แล้วก to hey, ็ให้เน <t S 1> ่าดูพ่อตีอยู่ทุกวันทุกวันไม่ให้ทำอะไรพ่อตีไปตอนนั้เนาะตีไม่ได้พ่อก็ตีให้ดูทุกวันตีใทุกวันเขาก็สืุปว่ามันอยู่ในในในัดจสองส่วนที่จะทําให้บรรลุผลได้คือมีครูที่ดีสองแล้วก็มีความขยันมันพีความวิริยะอุตสาหะความภาคภีมิ ไม่ใช่พรสวรรค์เพราะว่าเพราะว่าพรสวรรค์ก็อาจจะมีเสียบ้างแต่ถ้าไม่มีก็ไม่สำคัญขอให้มีครูที่ดีครูที่เก่งแล้วก็ขอให้มีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตาม ท, ที่ครูสอนเท่านี้ละก็จะสามารถที่จะบรรลุผลได้ ดังนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเราดูว่าเรามีอย่างนี้หรือเปล่ากูบอาจารย์เราก็มีเชื่อว่าเรามีกันที่เหลือก็อยู่ที่เวิริยะความภาคีนีว่าจะมีมากไม่มีน้อยมีเหมือนกันแต่อาจจะมีไม่ว่ามีไม่ถึงร้อย มีแค่สิบเปอร์ซตดือนนี้ก็ปฏิบัติครั้งนึ้งถ้ามีมากก็ต้องปฏิบัติทุกวันเร่งเราก็ทำได้แต่เราไม่รู้กันการเจริญปัญญานี้เราทำได้ตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมทางๆอะไรก็ให้เรามีใจรับเยอะๆ ตายผักความคิดกำลัองอยู่เรื่อยอันนี้ก็มีปัญญาอยู่พิจารณาอะไรก็คิดคิดถึงตายรับอยู่บ้างอยากจะได้อะไรก็คิดถึงตายรักบมามันก็จะทําให้ความอยากนั้นเบาบางลงได้อาตายรักมาตกรความอยากต่างๆว่ามันเป็นความอยากที่จําเป็นหรือไม่ถ้าจําเป็นแล้วก็อ น, นุญาตให้มันผ่านไปได้ จึงต้องรับประทานอาหารอย่างนี้มันจําเป็นหนยมันก็จําเป็นแต่นั้นก็ต้องมีประมาณรับเท่าไหร่แต่เพียงพอรับแล้วความต้องการตามความต้องการของกายหรือตามความต้องการของใจเราก็ต้องชั่งน้ําหนักเอารยองกายต้องการแค่นี้เราจะกินเท่า น, นี้ก็พอเราไปกินตามใจ ถ้าติดตามใจก็มันก็จะเป็นโทษขึ้นมามันเป็นกิเลสขึ้นมถ้ามีตายแล้วมันจะมันจะสามารถที่จะแยกแยกได้ที่จะกำจัดความอยากที่เป็นสิ่งที่จําเป็นกับความอยากที่ไม่จําเป็นได้ดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่รักเสมอไปเราต้องปฏิบัติในขณะที่เราเป็นฆราวาสก่อน พราะมันจะได้พักให้เราไปเป็นไปไปบวชได้ถ้าเรายังในขณะเป็นฆราวาสเรายังไม่มีปัญญาที่จะทํางานให้เราไปบวชแล้วเราจะไปบวชได้อย่างไรถ้าไปก็ไปแบบเท้าถูดนาไปแล้วก็ตกกระไดซอยโจรไปกับเขาแล้วก็บางทีก็ส่วนใหญ่ก็ไปแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ดีเพราไปแล้วก็ไม่จะไม่มีปัญญาพอที่จะควบกลุก่มสั่งสองจิตใจ ไห้เข้าสู่กระแสของการปฏิบัติได้ใจมันก็ยังคิดถึงความโลภความเหยียในทางโลกหัวหัวไปไม่นานก็สึกไปก็มีอยู่มากมายเข้าวัดได้กันเป็นพักๆแล้วก็หายไปเลยก็เนื่องเพราะว่ามันไม่มีปัญญาพอที่จะส ก, กัดความหลงนั่นง แต่คนที่ปฏิบัติตั้งแต่ยังเป็นคาวาสอยู่ปฏิบัติจนเกิดความเบื่อง่ายในเพศของคารวาสถ้าไปแล้วกจะไม่ค่อยกลับมาตรงนี้ไปจริงอย่างนั้นก็ขอให้เราใช้กระดาที่มีคุณค่านี้ไปกับการพัฒนาจิตใจกําจัดความโลภความอยากทั้งหลาย ที่็นปัญหานี้ให้หมดไปจากจิตใจอย่าเสียเวลากับเรื่องอย่างอื่นมากจนเกินไปเรื่องอย่างอื่นทำเท่าที่จาเป็นทำเพื่อมาสนับสนุนงานหลักนี้คืองานพัฒนาจิตใจแล้วชีวิตของเราจะไม่สูญเปล่าไปชีวิตของมนุษย์นี้จะไม่สูญเปล่าไปจะไม่ขาดทูกจะได้กำไร เช่นพระพุทธเจ้านะครบรูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านด้านทั้งหลายกันท่านใช้ชีวิตของท่านไปในการดาเนินในการบำเพ็ที่ถูกต้องนั่นเองซึ่งพวกเราก็เห็นท่านเป็นตัวอย่างอยู่แนละ้วว่ามันไม่ใช่เป็นของโกหกหลอกลวงใดๆเป็นของจริงของแท้ของที่อยอยู่ในกรรมมือเราแล้วนะเราจะปล่อยให้มันหลุดไปหรือตัดเท่านั้นเอง ก็ของฝากเร็วที่ได้พูดนี้มาให้ไปพาาิจารณาการกะรรกันใจเป็นนายด้นหะมครับอาจะร์ไม่คือใจนะพูดเรื่องใจนะทไม่เคยพูดเรื่องกาย ร่างกายมันก็มีแต่จะร่วงโรยแต่เรื่อยๆตามคตามเวลาเหมือ น, นใบไม้มันมันเขียวต่อไปมันก็จะกลายเป็นเขียวเหลืองแล้วมันก็จะหลุดมันก็จะขาดใบนงมาร่างกายของเราทุกคนก็เป็นเช่นเดียวกันจะไปเร็วไปช้าแต่ไปแน่ ฉะนั้อย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกายให้มากังวลเรื่องของจิตใจอย่าให้ใจไปผูกติดอยู่กับร่างกายพยายามตัดร่างกายให้ออกไปจากใจให้ได้เวลาร่างกายเป็นอะไรก็เดงใจเข้ามาโด้วยด้วยแรงของสมาธิกระดานตอนคำพุโทโธพุธโทโธไปให้ที่ยึดเลยไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องของร่างกาย รลางกายจะเป็นอะไรก็แค่มาเหมือนกันเวลาเรานอนเราก็ไม่ได้เป็นกังวลการเรื่องของร่างกายเราหลับของเราไปสบายปล่อยให้ร่างกายมันอยู่ของมันไปตามเรื่องของมันเวลาเจ็บไข้ได้ปัวก็เหมือนกักนเราก็ดินใจเข้ามาด้วยการปฏิบัติธรรมพุทโธก็ได้อานิจจังทุกขังอนัตตาะ็ได้เย็น น, น้าดูนไฟก็ได้ว่าร่างกายนี้มันก็แค่อนิจจังทุกขังอนัตตา หนึ่งก็เป็นเพียงดินน้ำลมไปมันก็เกิดแกเ่เจ็บตาท่องคาถาเรางไว้อยากไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วไอ้ความที่อยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ใหญขึ้นมาอย่างที่ประเชานิเทศว่าพระอัญญาณกนิญัะแท่งพอได้ยินเร่องฟังเขารารยนัสศึก ท่านก็เข้าใจว่าความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายท่านดูแล้วว่าในกายและใจแต่ท่านไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนท่านไปคิดว่าปัญหาอยู่ที่ร่างกายที่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็คิดว่ามันเป็นตัวของท่านเหมือนตัวตนท่านก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆท่านไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายแต่ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่จะเป็นนิพพัทธปัญหา เป็นต้นเหตุของความทุกข์บอพระอंพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกข์มันอยในใจนะทุกข์ที่ที่มาจากความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเกิดจากใจไปไปยึดติดกับร่างกายไปถึงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดความอยากคืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมะามันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้น พอต่างความอยากไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายได้มันก็จบมันก็นิโรธท่าก็ปรากฏขึ้นมาการความดับทุกข์ปรากฏขึ้นมาทันทีจิตก็ไม่ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่หวานตัวกับความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็คือมรรคมรรคก็คือเรู้ว่าทุกข์อยู่ที่ใจและ ท่านวัตถุท่านตำรวจดูไง ด, ดูดูที่ไหนดูที่ใจ่ยรู้ว่าใจยังมันทุกข์ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายทุกข์เพราะความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายหรยกว่าบักคือการพิจารณาให้เห็นว่าทุกข์อยู่ที่ไหนเนี่ยและอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายนี่มันเป็นเพียงชะวนเท่านั้นเองมันเป็น มันเป็นผลที่เกิดจากความหลงไปยึดไปติดร้างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วอยากจะให้มันเพราะแล้วก็เลยทําให้เกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอย่างไม่ตายเวลาเจ็บไข้ได้ปวดก็ทุกข์ใจเวลาเจ็บปวดก็อยากไม่เจ็บยิ่งยิ่งเจ็บขึ้นไปอยา่อยาง ที่ความเจ็บปวดทางร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บปวดทางจิตใจที่เกิดจากความกลัวความเจ็บนี่พอเราไม่กลัวความเจ็บ ด, ด้วยเราเดึงใจออกมาจากความเจ็บของร่างกายนเช่นเวลาเรานั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บปวดเราเดึงมันเข้ามาด้วยทิศโทกันนะใบกรรมให้มันขียึดอยู่กับมันอยากไปคิดถึงความเจ็บเดี๋ยวพอจิตไม่ได้ไปตะวอกตะวลนไปอยากไปกลัวกับความเจ็บแล้วความ ความทุกข์ใจที่มันมีแรงกว่าความเจ็บของร่างกายมันก็สงบสยบตัวลงสงบตัวลงมันก็รู้สึกเบาสบายขึ้นมา ท, ทั้งที่ยังมีควาเมเจ็บของร่างกายอยู่แต่มันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับตอนที่มีความกลัวความเจ็บนั้นเมื่อมันเห็นอย่างนี้แนละ้วครั้งต่อไปมันก็จะใช้ปัญญาพิจารณาว่าควาเมเจ็บแค่นี้ไปกลัวมันทําไม มันจะเจ็บก็ปล่อให้ม่นเจ็บไปเราอย่าไปอยากให้มันหายก็แล้วกันเราอย่าไปกลัวมันก็นแล้วกันเราเราจะไม่เราจะไม่มีความเจ็บที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในใจความเจ็บที่เป็นอริยสัมเนียคือทุกขเนี่ยมันจะไม่เกิดทุกข์ในอริยสัมเนี้ดับได้แต่ทึกขในร่างกายนี้ดับไม่ได้ดับได้บ้างเป็นครั้งเป็นคราวถ้าดีอยู่กินยาเช่นถ้าหมอฉีดยาทาให้มันก็ไม่รู้สึก เจ็บได้ที่เวลาเราไปถอนฟันหมอหมอทียาชาให้มันก็ไม่รู้สึกเจ็บแต่เราไม่ได้อยู่กับหมอตลอดเวลาเราไม่มียาชาที่จะมาฉีดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่ควรที่จะฉีดอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะว่ามันเป็นภัยมากกว่าแต่เราปล่อยให้มันเป็นไปตามความจริงของมันแล้วใจเราไม่ไปกลัวมันมันไม่มันไม่มันไม่เดอดเดือบ่าฟอะไรเวลา พอที่จะรับมันได้ก็ยังได้แต่แต่ไม่รอดทนมันได้นะคำว่าทนนี่หมายแสดงว่ามันต่อสู้กแต่ถ้าเรารับมันนี้เราไม่ได้ต่อสู้เราเราต้อนรับเขาเราม่พยายามที่จะถักใส่ให้เขาไปเวลาเราทนนี่เหมือนกับเราฝืนใจบังคับอยากจะให้เขาหายแต่ถ้าเรายอมรับเขาแล้วไอ้ความที่ ไอตัวกิเลสคือปัญหาที่ตัวกลัวหรือตัวที่ต่อต้านความทุกข์นี้มันจะดุไอความเจ็บของร่างกายนี้มันจะดับไปพอดับไปแล้วไอความทุกข์ในใจนี้มันก็หายไปความทุกข์ในใจนี้อาจจะเป็นเก้าส่วนบนความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวพอเราดับความทุกข์ทางใจเก้าส่วนนี้ไปแล้วความทุกข์ทางกายส่วนเดียวก็เลยรู้สึกจิบจอนไม่เป็นปัญหาอะไร ที่เรานั่งเจ็บนี่เพื่อจะให้เห็นอริยสัจถ้าเห็นอริยสั์แล้วมันก็บรรลผลแล้วรู้แล้วว่าทุกข์นี้มันเกิดจากกิเลสเกิดจากปัญหาเราเห็นแล้วว่ามันดับด้วยสติปัญญาที่เราสามารถแยกยะทุกสองส่วนนี้ออกจากกันได้คือปล่อยวางทุกข์ทางร่างการด้วยการละความอยาก ความทุกข์ของร่างกายพอเข้าใจหอยกนี้แล้วเวลาร่างกายมีความเจ็บปวดอย่างไรก็รี้แล้วว่าวิธีที่จะไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นก็คืต้องปล่อยความเจ็บปวดให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ต้องไปกลัวบอกจะฉิดยาก็ให้เขาฉีดไป ปวหัวก็ปว่อยไปปวดไปไม่น่ากินยาแก้ปวดก็ได้ถ้าใจไม่ปวดแล้วมันไม่เจ็บเรามันเจ็บนิ่เดียวคนเป็นอะไรนี่ประนันนี้รีบวิ่งหายาหาหมอกันน่เยหมดเลยเพราใจมันใจมันวนวายใจมันทุกข์ยาที่ใช้กันสดใหญ่นี้มันมารักษามันไม่รักษาแค่ร่างกายละมันรักษาที่ใจ คือมันทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมาเรามียากินแล้วออสบายใจละวัอเห็นหน้าหมอก็ออสบายใจมันเป็นยาทางด้านจิตวิทยามากกว่าถ้า ม, ม, มีมีธรรมะโอสถล้วจะจ ะ, จะไม่ต้องอาศษยยาบนี้ยาหมองยาดมยาแก้ปว ย, ยาแก้ ยาทานยาแคปขัดขยอกอะไรไม่เคยใช้ ม, มันทำหน้าห <c oughs> ยาบมั้งแต่ว่าไม่เคยใช้มันเลยไม่เคยใช้ยาเคใช้ยาหมองไม่เคยใช้ย า, ยยาที่ยาเดียวไรแมบ น, นั้น <c oughs> <c oughs> ทำกิให้ารืไ อ, ง, องเดียวทำกิจให้ใจียเดียวยปัญหาเก้าสิบเปอรเซ็นนมันหายไปัหาหใจนี่หายไปหมดแม้แต่ปัญหาทางกายที่มันก็ต้องเป็นต่งางๆเรื่องของมันนี่คือการปฏิบัติระหว่างกายกับใจ่นี้ใจปล่อยวางกายใจก็สบาย จะยึดติดการก็กระทุกไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็เช่นเดียวกันของเราก็ทุกข์ของคนอื่นก็ทุกข์ได้เหมือนกันเราไปกงังวลกับคนอื่นเราไปยติดกับความอื่ความยึดติดนี้ก็เป็นความทุกข์ความกางมังวลนี้ก็เป็นความทุกข์นะไปกงังวลทําไมไปทุกข์ทำไมมีอะไรทําได้ก็ทําไปช่วยเขาได้จะช่วยเขาไปถ้าเขาปฏิเสธการช่วยเหลือก็ ก็สดใสเหมือ น, นสาบน้ำใส่หลังพ่อเขาไม่เอาเลยไม่ใส่สาด <c oughs> ไปก็เสียน้ำไปก็เปล่ปาก <c oughs> ็เหนื่อยเราก็ดูแรกันได้เป็นห่วงเป็นใ ย, ยกันหน้าแต่ให้มันมีมีมีมมกรอบมีขอบเขต จะไปโขดใหญ่จนกระทั่งเรากินไม่ได้นอนไม่ลราอย่างนี้แสดงว่ามันเกินเหตุเกินผนลไม่เกินประโยชน์เกิดโทษกับตัวเราผขดใหญ่เขาเห็นว่าเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไปซื้อเสื้อผ้าไหนก็ใส่เสร็แล้วก็จบเขาจะไปใส่ไม่ใส่มันก็เรื่องของเขาไม่มีถานก็หาหาเงมาให้จะรับประทานหรือไม่รับประทานก็เรื่องของเขา มันมีความรู้ก็สอนเขาบอกเขาว่าอะไรดีอะไรอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเขบอกครับแต่เขาไม่เอาเขาจะไปทําทางไปตามทางของเขามันก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราจะอยู่อย่างสงบอย่างสบาย ต้องการเป็นการที่มีทั้งดีและไม่ดีสลับกันไปใจเราจะไม่แกล้งเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาเวลาดีก็แกล้งไปทางดีใจเวีออกดีใจใเวลาไม่ดีก็เสียออกเสียใจตจน้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นเราะเราใจเราไม่มีใจเราไม่มีสมางคิไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่แกว้ง มันจะอยู่ตรงการดีก็รู้ว่าดีไม่ดีกรู้ว่าไม่ดีไม่ันเกี่ยวอะไรกับเราใชหมมันไม่ดีมันก็รู้ของเขามันดีมันก็รู้ของเขาเราขอให้เราดีไว้ก็แล้วแต่ดีของเราก็คือย่าแข่งดีของเราคือให้เนื่องให้สงบตั้งองก็ต้องอาศัยการพุทธพลอบรณต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเป็นเครื่องมือ ที่จะสามารถรักษาใจไม่ให้กวัญได้รักษาใจให้สนุกน้ไม่ไม่เดือดร้อนไม่มีปฏิกิริยากับเรื่องราวต่างๆที่ใจไปรับรู้ได้ดูอะไรก็รู้ได้สัมผัสอะไรก็สัมผัสได้ดีก็สัมผัสได้ร้ายก็สัมผัสได้แต่ใจได้รับเป็นอย่างนั้นอย่างเดิมเดิมด้วยอานาจของ ของสติสมาธิและปัญญานี่แะละนเป็นสิ่งที่พวเราไม่ค่อยมีกันเครื่องมือนี้่สติก็ไม่ค่อยต่อเนื่องสมาธิก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนีย่หรือไม่เคยเนิ่งเลย <c oughs> ปัญญาก็ไม่เห็นตายรักเลย <c oughs> เห็นแต่สุกอย่างเดียวถ้าที่านลงลึกจวมองไม่เห็น มันเหมือนมันเหอยาขมเครื่อน้ําตาลสิ่งต่างๆในโลกนี้ความสุขในโลกนี้มันก็มันมันมันไปปิดความทุกข์เสียเมองไม่เห็นความทุกข์กันเห็นแต่ความสุขในในในลาบยกะะสรเสยในการได้เสตุได้สัมผัสไี้เสียงกิ่แล้วกดทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมา เหมือนคนติดยาเสพติดเนีไม่เห็นความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรเวลาเวลาติดยาลย แ, แล้วแต่พอเห็นแต่เกพาะเวลาเขาเสพเราะมันได้ขึ้นสวรรค์มีความสุขแต่พอหมดนิตยาแล้วอยากจะได้ใหม่แล้วไม่มียาให้เสพโอ้เจ๊ น, จ น, นรบกก็เหมือนกันมีเงินใช้ก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ พอเงินขาดมือไปเนี่ยมันตกนรกแล้วทำลายกำไร ไ, ได้นะเงินนี้ก็เป็นเหมือนยาเสพติดเพียงแต่ว่าสังคมยังยอมรับกันได้พราะทุกคนติดกันก็ต้องยอมรับกันถ้าเราทำกฎนมายห้ามเสพเงแล้วก็คงจะยุ่งกันแน่ตัวอย่างใน้ลกนี้ที่เราเสพกันนี่เหมือนยาเสพติดนะ แต่ว่ามันอาจจะไม่รวมงานเท่ า, า ก, ก, กับยาเสพติดลูกเทียงกินลดปวดตะทะที่เราเสพเป็นทุกวันที่เราขัาติดกันดังน<ว>ั้ น, นเราจะไปมีเครื่องเสียงมีโทรทัศน์มีมกินสินะให้เราดูให้เราฟังนมันก็เหมือนกับติดยาเสพติดแ ม, ม, มันไม่ได้ก้าวหน้เป็นไหลนะ่ะ มันไม่ได้เป็นสระมันเป็นธาตุเป็นธาตุมันไม่ได้จะอยู่อยู่แบบไม่มีไม่ได้ทั้งที่อยู่แบบไม่มีนี้แสบนบจะสบายกว่าแต่ขาดไม่ได้นี่ก็พยายมที่ผี้ปัญหาหเห็น ไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าเออกลับไปก็เหมือนเดิมนี่ไปหาเงินหาทางหาสมบัติแต่เรียรีไปไปวัดไปปฏิบัติธรรมก็ยังเหมือนเดิมนมันยากขนาดไหนกันถึงจะตัดไม่ได้กัน มันก็เหมือนกับยาติดติดเนี่ยติดอะไรแล้วมันก็เลิกยากแต่เลิกได้เนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลิกไม่ได้เลอกได้แต่คนแต่ต้องกล้าหาต้องสู้หนต่ตาเลยว่าต้องเป็นนักลบเนีย่ยเป็นนักลบ <c oughs> ต้องสู้กับีเหลน อ, อย่าไปหลบ อ, อย่าไปหลบกับตีเนฮะสู้มันฆ่ามันทําลายมันตักมันได้ได้ไป อ, อีสานมาได้ยินเรื่องครูบาอาจารย์เจ็บป่วยฮะก็เลยได้คุยกับครูบาอาจารย์ว่าวิบาวหุ่น ข, ขันเนี่ยมันใครทํามาเท่าไหร่เราไม่ทราบเราเองก็ไม่รู้วาระสุด ท, ท, ท้ายของเราเนี่ย มันจะทุกข์ทรมาร์ขนาดไหนไงถ้องสังขารมันก็ไม่ทราแต่ถ้าไปใจิตใจมันไม่มีความพร้อมแล้วนี่มันจะลําบากมากเลยทำอะไรไว้ก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายนี่ถ้าไม่มีความพร้อมนี่ลําบากมากไม่มีธรรมโอสถไม่มียารักษาใจพอร่างกายจะอะลายใจก็เป็นตามร่างกายไปร่างกายยังพอมีอยารักษาได้ แต่ใจไม่มียาถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้สร้างยาธรรมะสดไม่ขึ้นมาถ้าเองก็สบายไม่เดือร้อนวันนี้ก็เลยกลัวว่าตัวเองจะจะไม่พร้อมที่จะจะเผชิญกับภาวะตรงนั้นนะครักว่าถึงเวลาตรงนั้นแล้วเนี่ยความสําเร็จในการปิบัติมันอาจจะยังไม่ถึความพร้อมนี่ยะลองรับสถานการณ์ได้ แล้วทำไมปล่อยให้ไม่พอเทำไมไม่พอเพราะพยายามทําอยู่นะว่าอาจจะยังไม่ไม่กล้าหาย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะความกลัวหลายอย่างยังมีอยู่ในใจมันเป็นเหมนวงจรอุบาทเนี่ยจะออกจากความทุกข์ไม่ได้ก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ถึงจะออกได้ทกลัวความทุกข์ก็เลยปอกไม่ได้ ก็ยังวนอยู่กับกองทุกนี้แต่มองแบบนี้จะมองเหรอเหมือนกับเหมือนกับเรามีเชืยงเรื่องมีน้ำที่เราไปเหยียดแล้วมันติดอยู่ในเท้าเราเวลาเดินแต่ละครั้งมันก็เจ็บแต่ถ้าเราถอนมันออกมาผ่ามันออกมาอาจจะเจ็บหน่อยเอาเต้ามีดมากรีดเพื่อที่จะดึงเชืยงนั้นออกมามันเจ็บเดียวเดียว พอถอนเชื่อนน้ำนั้นออกมาแล้วสักสองสามวันพอแผลหายแล้วก็สบายมันเป็นความทุกข์ระยะสั้นมันไม่ได้เป็นทุกข์ไปตลอดเหมือนกับความทุกข์ที่เราติดอยู่ความทุกที่เราติดอยู่นี่เป็นกลับเป็นกันนะที่เราติดมาแล้วแต่ความทุกข์ที่เราจะหลุดจากความทุกข์เหล่านี้มันแค่เจ็ดวันเจ็ดปีเท่านั้นและอายุที่มีคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี้ย หนึ่งไม่เกินเจดปีที่พระเจ้าทรงสอนคนไม่ได้แค่เจ็ดปียอมทุกไปเป็นกลับเป็นกันอยอมเหยียบยอมให้มีเทียงน้ำอยู่ในท้าแล้วก็น้อนกระเพะกระเพะไปเรื่อยๆ <c oughs> อะไรที่อย่างนี้แล้มันก็จะมีกำลังใจ คนที่เขาหายชาจากโรคนี้แล้วก็สบายเขากินเขาอยู่ยังไงเขาดีุกอย่างสบายแลวเราก็สุขแบบสุขสุขเด่นเด่นสแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุดคนไปยังไงทุขน้อยสุขน้อยกว่าทุกทุกจนสุดเวลาเวลาเวลาสุขถึงแม้มันจะมากจากนั้นก็มันมีความทุกข์ตามมาทีหลังใช่ไหม ถ้ามันทุกข์ก่อนแล้วสุขไปมันก็ยังพอพอจะเอาอยก็เนี้ยต้องต้องเขต้องทุกแบบทางการปฏิบัติทุกข์ก่อนแล้วก็มาสุขทีหลังดีกว่าสุกก่อนแล้วต้องมาทุกข์ทีหลังเหมือนกับจ่ายก่อนแล้วค่อยได้ของดีกว่าได้ของมาแล้วต้องไปจ่ายทีหลังเพราะว่าจะไม่มีจ่ายนี <laughs> ่ติดขินไม่ต่อไป วนนี้มีหน้าใหม่มาหลายคนเลยไม่เคยมาเราไม่ทราบเราไม่ได้สังเกตเรื่องแต่พูดถึงความมีวิริยะทั้งหมดเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ปีอะไรนย่นะทุกคนที่สามารถทำอย่างนั้นได้ไหมทัางๆ ท, ท, ที่บา ร, รมีอาจจะยังไม่เกียกล้าเพียงพอคำว่าบา ร, รมีหมายควาว่าศึกษา ส, สมความดี อ, อานิอิอานิจิ <ขอ S 1> แล้วต่างก็ต้องปฏิบัตในแนวทางของเขาจปติปทาสีให้ได้ ตั้งแต่เตือนตลอดมีประคับประคองจิตมีสติประคับประคองจิตตลอดเวลาไม่ให้ไม่ให้มันไปเพ่นผ่านเหมือนเหมือนกับสุนักที่ไม่มีเชือกผูกไว้จิตมันเหมือนสุนัข ถ, ถ้าเรามีสติเพรามันมีเชือกคอยเด็กมือนไม้ให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแล้วให้มันคิดเปในทางธรรมะ ให้มรู้ทันเวทนาให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตให้รู้ทันร่างกายเนี่นยทีนี้มีสติอยู่กับสติปัฏฐานสี่จะรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหรือว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนซากหรืออสุภะเป็นอสิภาอสุพังรู้ว่าเวทนามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันเพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยวาง ม, มันเท่านั้นเอง ไม่ไปยิดไปติดเหมือนหรือว่าอารมณ์ของเรามีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงมีทั้งดีใจเสียใจมีทั้งสงบมีทั้งวุ่นวายแล้วมีสติรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นวุ่นวายไปกับมันมันจะวุ่นวายก็่อนวุ่นวายไปจิตพยายามรักษาจิตให้มันนล่งอยู่ตลอดเวาไม่ว่าจะมีอะไรเกขึ้นกับร่างกายก็ดีกับเวทนาก็ดีกับจิตก็ดีก็รู้มันไปเท่านั้นเอง รู้ว่ารื่องสตรู้ ว, ว่าทุกเกิดจอากอะไรอย่างนี้ผมก็เรียกว่ามีปฏิบัติใ น, นในทางของสติปัฏฐานสี่เพราะทา่านแสดงไว้มีสี่จุดด้วยกันใช่ไหมสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายก็อย่างที่บอกแล้วต้องรู้สภาพของร่างกายว่าเป็นอย่างไรเวทนากเราก็รู้ทุกสภาพของเวทนาว่าเป็นอย่างไร จิตก็ต้องรู้ทุกสภาพของจิตว่าเป็นไงรู้ว่าทําไมตเพียงหรือว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมรังทัก็ไม่ได้แล้วพอรู้ธรรมก็คือรู้อริยสัจสี่รู้ว่าทุกเกิดขึ้นในใจเพราะตัณหาความอยากนิพพัตัตหาภาวิตหาตามาตัมลารู้ว่านิโรธการดับของทุกเกิดขึ้นจากการละตัณหาทั้งสามนี้รู้เครื่องมือที่จะละ ทั้งสามนี้ก็คือสติตนี่แหละส ต, ติปัญญาส ต, ติก็คือรู้ถันรู้ว่ามันกําลังเกิดขึ้นปัญญาก็รู้ว่ามันเป็นใจรักอะไส ต, ติปัญญาพอรู้ทัดด้วยส ต, ติรู้ด้วยปัญญามันก็ปล่อยวามย ง, มมยงมันก็ปล่อยมันไปเจ็บก็เจ็บเสียงที่ดังปั๊บดัปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนอันนี้จังปั๊บถ้ามีพีนเดก็อาจจะตามเสียงมันมาจากที่ไหนใครมันทำอะไระมันต้องตามหาคนมาใช่ไหม เรา เ, ราเราล่าเล่ารู้ว่าเป็นเสียงต๊บเกิดขึ้นปับเดาไปปับผ่านไปปั๊บก็จบแล้ว<ม>ใจเรามันไม่ยังไพอมีอะไรมันก็กมันจะตามไปเลยดีก็ตามไม่ดีก็ตามใครชมก็เดินตามเขาไปใครด่าก็เดินตามเขาเหมือนกันตามไปเอาเรื่องการที่อย่างเฉยเยขดาด่าไปแล้วก็เข้าไปแล้วเข้าชมเข้าก็ไปแล้วเราไม่นิ่งแต่เราไม่นิ่ เนี่ยคือวิถีแนวทางของสติปัญญาสี่เป็นถ้าเข้าถึงจุดนี้ได้เจดวันบางทีไม่ต้องเจดวันแล้วเจ็ดชั่วโมงนี้ก็ได้ฟังทำปั๊บหนึ่งบรรลุได้ก็คืออย่างที่พรเจ้าสอนคนที่ไปถามท่านตอนที่ท่านบินบัลลังก์ท่านก็บอกสอนสั้นๆแล้วไม่มีเวลาเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นดู้อะไรได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน ตอนนั้นน่ะตั้งใจอย่าให้มีอารมณ์กับสิ่งที่มาสัมผัสเรียนแต่รับดูแล้วก็ปล่อยวางเาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาไม่ต้องไปยินดียินองกับสิ่งที่มาสัมผัสก็เขาเขาบรรลุละขอลาไปเรียนบริถายาแกมาบวก ดังอินทรีย์ของละลายก็มีมากน้อยต่างกันถ้ามีอินทรีย์มากจนเป็นพละเป็นพลังกึลายมันก็มันก็รวดเร็วมันก็ง่ายถ้งมีน้อยมันก็ต้องใช้เวลาสะสมเหมือนเติมน้ํามันในถังแต่น้ํามันมันเกิดจะเต็มถังตามปั๊บเดียวมันก็เต็มแลอวถ้าถามันมันอยู่ที่ก้ถังก็ต้องใช้เวลาเติม ถ้าบอกว่าเออจะต้องใช้ทั้งสี่อย่างนะครกายเวทนาจิตธรรมก็สมบูรณ์เข้าไปในจามาที่เกิดสภาวะเกิดขึ้นใช่ไหมคะควาจริงมันเกิดขึ้นอยู่ตอลอดเวลาอยู่ที่ว่ามันอะไรจะเป็นตัวนํามาเท่านั้นเนองบางทีตัวเวทนามีตัวนําแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องมุ่งกับจุดนั้นที่เวลาเรานั่งเราเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยตัวเวทนามันเด่นเราก็ต้องพิจารณาเวทนาปล่อยวางเวทนาถ้าเกิดราคะเนี้เกิดเห็นความสวยงานนี้ ก็ต้องเอาเอาสุภะเข้ามาเ้าเกิดความกลัวตายนี้ก็ต้องเอาความแก่ความตายเป็นธรรมญาเข้ามาเป็นเป็นตัวที่จะมากําจัดไอ้ปัญหาคือตัวปัญหาทั้งสามนี่ก็กําจัดด้วยด้วยด้วยด้วยสติปัฏฐานจริงนี่แหละเกิดราคะเกิดตา ม, มาปัญหาขึ้นมาก็ต้องดูอสุภะ เกิดความกลัวความเจ็บปวดก็ต้องใช้ความสัจทางความจริงว่าเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เราไปบังคับมัน ไ, ม, ไม่ได้แต่เราบังคับใจเราให้รับมันได้โดยที่ไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปอยากให้มันหายใจก็นิ่งเป็นปกติมไม่ไม่มไวุ่นวายไม่สับสนไม่เดือดร้อนเวลามีอารมณ์เครียดนี้ก็รู้ไว้กําลังเครียดเนะ เรารูว่าเราเครียดเฉยๆเราอย่าไปเครียดกันเลยเราอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเครียดเรามาพุดโทพุทโธสักพักหรืองมันก็หายเครียดเราไปคิดเรื่องที่เครียดยิ่งคิดยิ่งเครียดอย่างหรือปล่อยวางเราเครียดเพราะเราอยาก <c> <c> ใช่ไหมเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัดความอยากเไปไม่อยากแล้วจะเป็นยังไงก็ท่านั่น ยังไนก็ได้อะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นแค่นี้มันก็จบมันก็ตัดความเครียดได้ถ้ามีสติอย่างเดียวมันไม่พอตามรู้อย่างเดียวไม่พอรู้ว่ามันเครียดแต่ไม่รู้จะทํำยังไงทำไมต้องมีปัญญาต้องมีมีธรรมมีอ ร, ริยสัจสี่รู้ว่าความทุกข์ความเครียดนี้ความเครียดนี้ก็เป็นความทุกข์เกิดจากความอยากแล้วตัดความอยากได้นี่รื่ความ ความดับทุกข์ความหายเครียดก็จะปรากฏขึ้นมาเองในบางตัวอากจะต้องตามรู้ไปก่อนเพราะฝึกสติไปก่อนเพราะปัญญานี่มันค่อนข้างจะซับซ้อนลึครับถ้าคนคิดไม่เป็นวิเคราะห์ไม่เป็นนียากเหมือนคนเล่นหุ้นเนี่ยวิเคราะห์หุ้นไม่เป็นเนี่ยก็ต้องฟังคนอื่นเขไปตามคนอื่นเข้าไปเป็นแมงเม้าไปแต่คนที่เขาวิเคราะห์เป็นเขารู้ เขาก็สามารถที่จะเลือกตัวไหนจะซื้อเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่เขาเขาเขามีข้อมูลต้องมีปัญญาปัญญามันเป็นของยากเพราะมันต้องคิดด้วยเหตุ ด, ด้วยผลสิ่นต้องมาจะเข้าๆตัวเองเลยเขาไม่แขยงกิกเลส น, นี่ยอับตาความหลง<า> ม, ม, มันก็เลยมยาจะคิดผิดไปคิดตาคิดเล หลายถึงสติปัฐานสีเนี่ถ้าเข้าถึงจุดนี้แล้วรับรองไม่นา น, นปัญหาคือว่าตอนที่ปัญญาจะหมุนอย่างนี้ได้เนี่ยสมาธิมันต้องมีระดับหนึ่งที่จะให้เกิดกปัญญา ก, กำลังญญที่จะหมุนหมุนปัญญาให้ได้แล้วสมาธินี่มันจะไปตัดตัดทอนกำลังของกิเลสด้วย ถ้าไม่มีสมาธิมันกินเลยมันจะมีแรงมากมันจะคิดไปในทางโลกโกรนนองเรืยพอทําสมาธิแล้วไอมันมันจะถูกเหมือนถูกฉีดยาสรุปมันกำลังมันจะน้อยลงแต่มันไม่ตายมันก็ยังมีมีโอกาสหายไม่ได้แต่มันจะมีทําให้เรามีช่วงว่างพอที่จะคิดไปในทางปัญญาคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเราเองยาก แล้วพอมันพอฤทธิของสมาี่หมดไปนี้กิเลสมันก็จะออกมเราก็ต้องหยุดพิจารณาเราก็ต้องกลับมาทำสมาธิเหมือนกันกินยาสงบเพิ่มขึ้นกับิยาเหมือนี่ยกิเลเริ่มออกมาเตะ ก, กะและ้การพิจารณาของเราไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้เริ่มสับสนเริ่มคุ้งซ่านเริ่มเมวนไหวเริ่ ม, มนิ่งตกนั้นแสดงว่ากําลังของสมาธิหมดแล้ว ถ้าไม่มีกิเลสแล้วพิจารณาความตายจะมันมันจะไม่รู้สึกหวัว่นไหวแต่ถ้ามีกิเลสเนี่ยมันจะหวัว่นไหวมันจะกลัวขึ้นมาเราต้องรู้ว่าถ้าเราพิจารณาไปแล้วมันจิดใจลองรับความตายไม่ได้จะแสดงว่ามีกิเลสออกมาเพ่งพานแลเราก็ต้องกลับไปทําจิตให้สงบจริงก่อนแล้วก็กลับมาใหม่พิจารณาใหม่ ถ้าเรามาั่นใจว่าคุณมันอยู่ได้แล้วเราก็ไปไ ป, ไปออกไปสู่เข้าไปสู่สนามรบไปหาที่มันท้าทายกับความตายเราปวงมันตรงนั้นเลยเจอเสือเจองูแล้วเจออะไรก็ได้ทดสอบใจเลยว่าปล่อยได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้แล้วมันหายกลัวทันทีหายกลัวอย่างเด็ดขาดตอนที่พิจารณาที่มันยังกลัวอยู่ละหาย กลัวบ้างไม่กลัวบแล้วแต่กําลังของปัญญาถ้าเรามีปัญญาพิจารณามันก็ไม่กลัวมีสมาธิคอยคุมกิเลสอยู่มันก็ไม่กลั ว, ลวแต่มันยังไม่ตายเราต้องไปเจอของจริงเนี่ยแล้วก็ยอมตายเลยก็ไม่กลัวตายแล้วก็ต้อง ย, ยอมตายได้พอยอมตายได้จิจมันก็ปล่อยปล่อยวางมันก็รู้ว่าเอามันไมู่่แล้วมันไม่กลัวแรนับี้มัี้มันไม่กดด แต่มนยิ่งปล่อออกมาเกิความคิดปรุงแต่งเกิดความคิดปรุงแต่งแม่มันคิดไม่ให้มีคิดพอมันไม่คิดมังก็สงบเย็นสบายกิเลสก็ทํางานไม้ได้กิเลยอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือพอเราเริ่มคิดทางปัญญากิเลสมันก็แทรกมาได้ถ้าถ้ากําลังของสมาธิมันอ่อนลงกิเลสก็จะมีกําลังแทรกเข้ามามากขึ้นนะคือจนทําให้การพิจารณาอสุภะ้็ขยักขยั่งขึ้นมา พิจารณาความตายก็กลัวขึ้นมาทันทีแสดงว่านี่สมาธิเราเราหมดกําลังแล้วเราก็ควรจะหยุดพิจารณาแล้วก็กลับมาทําสมาธิหมั่ก่อนมาชาติแบกแล้วมาทําทํามาฉีดยาสลบให้กับกิเด็พ่อจากความสงบนั่นแล้วก็พิจารณาใหม่ตอนที่จะเอามาใหม่ๆพิจารณารู้สึกว่ามันจะไม่หวัน่นไหวมันมันจะกล้าหาญมันยอมรับความจริงได้ พอเราสามารถพิจารณได้จนเรามั่นใจว่าเราไม่กลัวแล้วเราก็าไปทดสอบดูไปอยู่ในป่าท้าก็ได้คนเดียวกปตอนคืนแล้วเดินไปในป่าคนเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟเดินไปดูว่ามันมีกลัวไหมกลัวจะได้ปลงมันได้เราต้องการปลุกให้ความกลัวมันออกมาเราจะได้ดักมันได้ความกวเรื่องมันกเกี่ยวเลย เราต้องมีกลับดักก่อนมีต้องต้องมีตัวล่อมันสถานที่น้าหน้าตัวเนี่ยเป็นตัวล่อมันให้มันออกมาพอมันออกมาแล้วก็ฆ่ามันด้วยการตลงเนี่ตายมันตายยอมตายพอมันยอมพัมกหลังกาโลง่งอะไรบาสบายยางอยู่บนเครื่องมือก็สามารถทําได้เนะวลากับตาหลอกแ้างเสียงเนี่ย เราได้ตกกันเใช่รับตกเป็นตกตายเปนตายนะฮะกลัวก็ข้นตกผีนี่กลัีมั้งแม่ก็ลัวผีกตันตกผีนี่มันไม่มีเหตุผลนะมีใครเห็นผีมันไม่มีอยู่ผีมันก็อยู่ในตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยคือผี เวลาไม่หายใจแล้วมีใครอยากจะอยู่ใกล้เขาใช่ไตัวเราเนี่ยเป็นผีนแท้ๆเราเก็บไม่กลัวไอ้ไอผีปลอมนี่เรา ก, กลัวกันผีที่เกิดจากจินตนาการนี่กลัวกั น, กกนผีจริงๆผีแท้ๆก็คือร่างกายนี้แหละเวลามันตายไปอะไราจะ น, น่ากลีนน่ากลัวเท่ากับซากศพนะเราก็อยู่กันมาทุกวันตั้งแต่เกิดจนมาถึวันนี้เราไม่กลัวมัน เราความจริงเราไม่กลัวผีเราไปทัวจรินตนาการของเรามากกว่าเราไปสร้างมันขึ้นมาเองหรือคนอื่นสร้างมาให้เราจรินตนาการตามเขาแต่ดูหนังผีก็แบสร้างภาพแล้วหน้าหวาด ก, กลัวให้เราเห็นมันมีที่ไหนเราต้อก็สร้างมันขึ้นมา่านัมีใครจับผีมาเข้าพิพิธภัณฑ์มาแสดงให้เห็นนะ นั่นก็มีแต่ซากศพเอย่ายที่เขาเอาอไปดองไว้เนี่ยโรงพยาบาลให้เราดู น, ะนั่นแหละผีแท้ก็เป็นอย่างนั้นผีที่เคลื่อนไหวได้นไม่มีหรอกของตายมันจะเคลื่อนไหวได้เหรถ้าเราปฏิบัติมาไกี่ปีไม่เคยเจอเลยนะถ้ามันมีมันน่าจะเจอแล้ ว, วกลัวท่าน <laughs> ความ ค, ความไม่กลัวนี่แหละที่เจ้าจ่ากำจัดถี่ได้ความกลัวนี่ยเป็นตัวสร้างถี่ขึ้นมาเท่านั้นแหละเราถึงมีคำพูดว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวนี่กับความกลวัวนั่งไปรีดไปอยู่ปา่ราช้าได้แล้วอยู่แล้รอดไปเลยแต่เราก็เป็นป่าช้าอยู่แล้ว ค่ะเช่าท้องเราก็มีทั้งเป็ดไก่หมูกุ้งปูปลาันอยู่ในอยู่ในท้องเราเป็นปา่าช้าอยู่แล้วเนีง่งค่ะค่ะเข็มก็ไม่เคยกลัวนะ้วยาก็ไม่ฉีดไม่กินอะไรทั้งสิ้นแต่ทุกคนทีนาผ่านไปไม่ได้ะคะเราไม่ไมไเราไม่พูดโทรศเราพูดโทรศันท์พูดให้มันถือเดี๋ยวมันจะอย่าไปคิดเรื่องอื่นะคาูดท หรืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้หรือว่าดินน้าลมไฟก็ได้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้มันท่องมันอยู่นะวนอยู่อย่างนะอนิจจังทุกขังพุทโธพุทโธเก่แก่เจตตาท่องมันไปอ้อสลับกันไปยังไงก็ได้ใช่ไหมก็ได้หรือจเอาพุทโธคำเดียวก็ได้แล้วแต่จุดที่เราจะท่องคือดึงใจไว้นให้ไปคิดถึงเวทนาทั้งหมดอย่าให้มันมีโอกาสกลัวอยากไม่ให้มีโอกาสอยากให้มันหายใช่ไหม ปอให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเอาใจมันนั่งเฉยๆเข้ามาอย่าให้มันไปคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องเวทนาทั้งหม่มีเป็นวิธีเบื้องต้นที่จะตอบรู้กับทุกเวทนาพอเรามีพลังจิตมีพลังสมาธิแล้วต่อไปเวลาเจ็บตปวดก็พิจารณาด้วยความจริงไม่ได้ว่ามันเจ็บตรงนี้เองมันเมื่อใจมันไม่ปรงแต่งมันจะไม่กลัวความเจ็บที่เกิดจากร่างกายแล้วมันก็จะยอมละมันก็จะปล่อยวางเวทนานั่ง ตอนนั้นมันก็จะเป็นปัญญาปล่อยแบบปัญญาแต่เบื้องตอนนี้ต้องอาศัยการบริการพุทธโธพุทธโธหรือคำบริการปันญดที่เราถนัดที่เราชอบแล้วเกาะติดกับมันไปเลยทุกลมหายใจเขา้าออกยากแต่ให้มีโอกาสไปคิดถึงความเจ็บเลยทําไปด้วยเลยรับรองได้คอยบอกคนก็าไปทําก็บอกกรทำแล้วก็ทําทได้เลย นั่งไม่ต้องกลัวเจ็บนั่งเพื่อให้มันเจ็บเพื่อจะได้จะได้เกิดปัญญาเพื่อจะได้เกิดสมาธิขึ้นมาเพจะได้สร้างสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นด้วยการบริกรรมพุโทโธมันจะยากเลยนั่งคิดทั้งวันคิดได้แต่คิดแต่คำว่าพุโทโธแค่สิบนาทียี่สิบนาทีที่นคิดไม่ได้อ้าจริงถ้าคิดจริงๆไม่คิดเรื่องอืง่นห้านาทีมันก็ดับแล้วนะห้านาทีสิบนาทีนี้มันดับนล้ พิเศษามันหายเลยอ่ะจิตสงบลงเลยไม่นานจริงๆลองไปทําลยเราไม่มีใครสอนะัะแต่ตอนที่นั่งใหม่ๆมันเจ็บแล้วก็นึกถึงนิดจังอันนิดจังแล้วก็ท่องอันนิดจังอันนิดจังไปไม่เลือกแค่สองสามนี่นะสองสามนาทีนี้นมันหายไปดละความเจ็บมันหายไป นม่มีใครสอนมันมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาว่าจะต้องต้องใช้แบบนี้สู้กับมันลองทําดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวเดียวมันหาเลยมันเหมือนจะมันยื้อๆกันนะคะบางพีถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่นแต่ไปต้องไปตึ๊งหนึ่งหยุดเดี๋ยวไปตึ๊งใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปสนใจมันเลยอย่าไปยื้อย่าไปยุ่งกับมันเลยอยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่อยู่กับคำเลยคำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวอย่าไปสนใจมันเลย แล้วอย่าไปเลงอย่าไปจ้องเมื่อไหร่จะหายอะไรนี้ก็ไม่ได้ทําละอย่าไปสนใจจะหายไม่หายไม่ต้องไม่ต้องสนใจขอฝากเป็นฝากกายไว้กับคําบริกรรมของเราค่ะวรู้สึกก็พอใช่มคะพระอาจารย์ห้่ไมได่ดูความารู้สึกไปไม่รู้มันจะไม่พอว่าขณะที่เราดูนี่ความคิดสปลี่นต่งมันจะคิดจะด้วยแต่ถ้าถ้าบริกรรมแล้วมันจะไม่มีทางเข้ามาได้เลยเราบริกรรมนี้เราเป็นสังขาร่ยเป็นความคิดปลี่ยต่ ความอยากก็มันก็เป็นสังขารมันก็ใช้ตัวเดียวกันมันใช้รถคันเดียวกันถ้าเรารถคันนี้มามาขับคนอื่นก็ขับไม่ได้แต่ถ้าเราดูเฉยๆคนอื่นก็กระโดดขับไปได้เราต้องเอารถคันนี้มาขับเอาสังขารนี้มาปรุงในทางธรรมะในทางมรรคในการกบริกรรพุโทโธพุธโทโธพุทโธมันก็จะไม่มีกิเลสก็จะไม่มีโอกาสที่จะมาคิดถึงเรื่องความกลัว ความเจ็บตัว อ, อย่างให้ความเจ็บไม่หายไปเอาไม่มีโอกาสทคิดมันก็หยุดมันหยุดทํางานก็หยุดทํางานความเจ็บความทุกข์มันก็หายไปถ้าเวลาเรานั่งทำเวลาที่เราเพลินนี้เราไม่เห็นเจ็บเลยใช่ไหมเวลานั่งสมาธิแค่ห้านาทีก็เริ่มเจ็บแล้วมันไม่เพลินเพราะกิเลสมันเริ่มก่อตัวนล้ เวลานั่งข้างทีมันก็เริ่มก่อกวนอยากจะลุกน่ะตัวอยากจะลุกเนี่ยทำให้มันทนนั่งอยู่ได้ถ้มันขาดสติไม่สามารถดึงใจไม่สามารถควบคุมมังคับใจให้คิดตามที่เราสั่งมันได้เหมือนหมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดึงมันไว้ถ้าเป็นเชือกก็เป็นเชือกกล้วยพอมันกระตุกทีมันก็ขาดมันก็วิ่งไปละตามเรื่องของมัน เรต้องเจริญจิตให้มากปัญหาก็คือการสขาดสติการที่จะนึงใจให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราเบื้นตงตอนก็เฝึกให้มันอยู่ในปัจจุบนันนี่คำว่าปัจจุบนันรู้ไหมมันมีอะไรให้มันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อยาให้มันไปที่นู่นที่นั่นอยาให้มันคิดถึงอดีตอนาคตให้มันอยู่ในปัจจุบันกำลังทำอะไรครมันดูอยู่กับการที่เราทำอย่างนี้นเขาเรียกว่าตามรู้การเจริญจิต เมื่อเรามีสติตั้งให้มันอยู่ที่นี่ได้เราตั้งให้มันอยู่กับพุทโธมันก็ต้องอยู่กับพุทโธได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้พอพูดโธได้สองคำวาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้และวไอ้มันอไหรจะหายสักทีเอ๊ไม่หายเลยมันไปแล้วมันไม่ได้อยู่กับพุทโธแล้วให้มันอยู่กับพุทโธอย่างเดียวให้อยู่ทำอะไรทำอย่างเดียวมันมันถ้ามันต่อเรื่องเพ็ยงแค่ห้านาทีนะทําไม่ได้แค่ห้านาทีลองทำดูเลย เ้าทำหน้ากันมารายงานให้ทำได้บ้างเป็นวันนี้มีการตูนชุดใหม่เป็นพุทธประวัตินี้ยการแจกเขาทำในแผ่นดีวีดีแล้วก็ยาวเกือบ3ชั่วโมงรู้สึกจะมีแสงธรรมะครามสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเลยทุกทุกทุกส่วนน เป็นการ์ตูนตอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าสร้างเป็นหนังมันราคาแพงก็ทําเป็นการ์ตูนมันค่าใช้จ่ายมันต่ำกว่าแต่เป้าหมายก็คือต้องการที่จ ะ, ะแสดงพุทธประวัติและคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราดูบางส่วนแเราก็ประทับใจมีคําสอนที่สอดแอทรกเช่นตอนที่จะนิพพานก็พานกันก็ถามปัญหาหลายข้อพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบหลายข้อให้ฟัง ก็เอาไปเอาไปคนลรแผ่นใจมันก็ไม่มีเก็บคอหรือเปล่ถ้าเหลือแล้วใครต้องการเอาไปฝากใครก็ได้ก็อ่าว่าอยาว่าให้สะดวกเวลาเราทำงานก็ต้องให้สะดวกอยู่กับเราตลอดว่าอยู่งานอยู่ทำงานตลอดอย่าไปคิดถึงลูกคนลรแผ่นครับอย่าไปคิดถึงเมื่อวานนี่หรือเมือวานนี่อย่ยให้อยู่กับงานอยู่ การฟันก็อยู่กับการฟันขับนั่งก็อยู่กับการขับตัวหอมตัวสบูก็อยกับการถูสบู่ตอนนี้เวลาควบคุมสติคือไม่ให้เราเกิดเวลาเกิดมีอะไรปะทะเข้ามาแล้วเราต้องมีสติว่าคุมว่าไม่ให้เรามีอารมณ์หรือว่ามีอะไรพนั้นงานเป็นขั้น่อไปก่อนขั้นต่อมาท่านแรกนี้เพีแต่ให้มันอยู่ในปัจจุบันแล้วถ้ามันเกิดมันมีอารมณ์เข้ามาถ้าเรามีปัญญาที่จะรู้จักวิจาวิเคราะห์ปฏิบัติขมันได้ก็ทําไปแต่บางเรา เมงปนี่ยเราดึกได้ขีดอย่างว่าไอ้เมื่อกี้เราไม่ควรทํเนะาควรจะเวริ่งเฉยควรจะเฉยควรจะปล่อยอย่างมากแล้วเขาไปเลยหรือถ้าจะทําก็พิจารณาด้วยด้วยเหตุผลว่ามันคนเราควรจะทําอะไรไมแล้ว แต่อย่าทำตามเราเลยพอการพูดไม่ดีมาก็เกิดแล้วก็ตอบโต้กันที่ต้องพยายามควบคุมตรงนี้เพื่อแหงเท่าเราต้องสกสติตรงนั้นที่ได้ก่อนเราจะใช้ปัญญาว่าไม่มีไม่มีความจำเป็นแล้วอย่าไปตอบตัวอย่าไปเกิดอย่าไปยินดียิาได้เลยครับได้ได้ก็ตกลงข้าง่างได้แล้วได้แล้ว ถ้าหรือว่าต้องกลองก็ไปฝากภายก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ต้องการเก็บได้ตอนนี้มามาหน่อยใกล้กินใหม่คมันเป็นบานบ้างแล้วคุณกำานเยเคร่งกม่ลงลงตาไม่คิดว่าคไม่ลงมาก็เนดกเนตึนขึ้นไปอางเงยงการท่านยังไม่ลงมาเลยใช่ไหมว่าดีไม่ได้จะลงได้ แต่เข้าไปดูในเว็บก็ไม่มีกำหนดการไม่มีกำหนดการมีแต่ว่าวันนี้หลงตามได้เทถ้าเป็นอธิยาศัยของท่านท่านก็ทมามากพอแล้วจนให้ท่านได้พักอเต็มที่ไม่ได้พักมีพวกหมอไปขอกันวันควรจะพักสร้างหลวงป่ตา ให้ทุกวันที่เขาป่าโรงพยาบาลท่านโรงพยาบาลเจ็ดสงอาภาษณ์เกี่ยวยอนี้องแต่สิบล้านเป็สิบล้านจัเพิ่มสิบชั้นท่านบอกว่าวันนั้นที่ลูกไปท่านบอกว่าให้ทําครับเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นอนุสรณ์ไว้สมบัรถท่านค่ะท่านสท่านก็จะตายแล้ว ตอนที่ท่านอยู่เนี่ยทำได้เพราะเวลาท่านไม่อยู่แล้วก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีศูนย์กลางของจิตใจที่จะดึงให้ศรัท ธ, ธา <c oughs> ที่จะเสียสละรมกันทำ <c oughs> ท่านก็ทำเต็มที่อยู่แล้วนะก็คิดอย่างนี้ก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็เป็นแปดจิตขณะทกลับไปแล้ว อาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์สมัยนัน้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อไปทา่านแค่เห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากที่สามารถทำหน้าที่แทนท่านไ้แต่ก็กเห็นว่าสมควรแก่เวลาแต่ก็ละสังขารไป ไป่แล้วเห็นเลยว่าท่าเนเต็มไปด้วยความไม่ตามมหาศาลแร้วท่านเดินถ้าไม่ไหวแล้วก็ยังพยายามมากคือพวกกิเลสพวกนั่นก็จะมองว่าอยากจะอยู่ยังพยายามยื้อสังขารของตัวเองให้อยู่นานๆเนี่ยกลัวตาย พวกที่เป็นพวกที่ไม่ปรารถนาดีเขาก็จะมองไปอย่างนั้นได้ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของความคิดของคน mm hmm. จะลองยังไงก็ได้ mm hmm. แต่คนที่มองด้วยด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยด้วยธรรมะ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทําที่เสียสละอย่า mm hmm. งสมศรีอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆมันสบายกว่าทั้งนี้แหละกว่าที่จะต้องมารับ แขกรับคนมาสั่งมาสอนมารับเหมือนจากคนนี้แล้วออกไปให้คนนั้น <c oughs> คนเองไม่ได้ทบาไ <c oughs> แต่ถ้าคนที่มีเกียรติอด้จะมวงวาอยากจะยิ่งใหญ่อยากจะดังอยากจะเป็นสังฆราชมีคนวิภาวิจารณ์กันนี้อยากจะเป็นสังฆราช ขอกระาเป็นอะไร <c oughs> เป็นสมมุตินถ้าเป่นเหมือนกับขี้ดินปิดหัว <c oughs> แต่ทีคิดว่าเป็นงอนที่ว่าเป็นหงอนเนาะเป็นเป็นน้อนงอกออกมาที่ว่าเป็นบางในความยิ่งใหญ่ของตัวเองถ้จาจริงก็เป็นสมมุติเป็หัวโขนแต่นั้นเองความยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ใจที่ จะอ่านโดยส่วนใหตรงนั้นคนที่เห็นแล้วไม่สงสัยไม่หลงประเด็นคนที่ยังไม่เห็นก็ยังจะหลองอยู่รับสมมุติต่างๆได้ตำแหน่งขึ้นมาเรี่นฉลองส 7, ักเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ได้ข่าวว่ามีพระอยู่ที่เมืพัทยานี่เขาได้เล่นตำแหน่งออจัดงานฉลองใหญ่โต งานเราก็ต้องพยายามทำให้อยู่เที่ยงเวลาที่ทำงานควนจะกั็นอย่างไจะทำให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าทำไม่ได้เราจะบอกมีใครไม่บไห้ก็ไม่ได้บุญเท่านั้นเพราะไม่เป็นการทำบุญแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ก็ไม่บอกถ้าเกิเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไม่ได้ใครคนนั้นเป็นการลดละสิ่งเล่นกับถ้าไม่ได้ทํเราแสดงว่าไม่ได้ลละ คือเราอา จ, จ้วบางทีเวลาเราอาจจะเลยะไปบ้างเพ็าะนเราจะมันเหมือนกับคนเอว่าถ้าถ้าทําไม่ได้ก็อย่าทําเลยเ อ, อ๋อไม่หรอกถ้าทําได้แค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่ทําต้องคิดอย่างนี้อาจจะเลอะแค่ครึ่งชั่วโงชั่วโมงเลยก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยไม่เป็นไรหรอกใหม่ๆก็ต้องน้อมนุ้กทุกการไปก่อนจะให้มันวิ่งได้เลยมันก็ยังเปลนไปไม่ได้ก็ยังดีกว่าไม่พยายามเลย พอทำไปเรื่อยๆต่อไปก็อาจจะทําได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรการเล่นกับพิมพ์ดีใหม่ๆก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกกดผิดกดถูกเพราะมันยังไม่ชนานาญเวลาทําตึกทําไปเรื่อยๆต่อไปก็เกิดคว<ม>ามช ำ, ำนิชำนานขึ้นมาดังนั้นเวล<ม>าเริ่มต้นทําอะไรอย่าไปคาดการว่ามันคาดผลว่ามันจะต้องเลิศต้องครบร้อย ให้มันได้สักสิบคะแนนก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยดีกว่าไม่ทํทาลยทำไปแล้วก็ยากพัฒนาขึ้นไปเท่านั้นอย่าให้มันยืนอยู่กับที่แล้วกันทํามาติดปีก็ยังได้แค่สิบคะแนนนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะแต่ตอนเรื่อมตวนนีงก็อย่าไปวิตกกังวลมากจนต้องยังไม่ได้ทําได้ครบท่วนบริบูรณ์ก็ไม่เป็นไร <c oughs> มาฟังเทศนะะ์อาจารย์ได e> ้ห้าเดือนจะถ่ายก็กล eh ้าต uh> ัดสินใจที่จะทํางานน้อยลงนได้มีเวลาอยู uh, <h <h ่กับบ้านแล้วก็ดีใจเองว่นคือดีอนุทะนัแสดงว่าทําหน้าได้สิ้นซากก็ไปในจิตใจห่างไว้อย่างนั้นใช่ไหมอนุทะนัยทำให้คนสอนมีกําลังใจถั่วตูดต้นไม้ถัวแล้วมันแล้วมันจะเลยงอกงามขึ้นอะไรก็มีกําลังใจ ที่จะคอยหมือนทวนดินคอยรดน้ำแต่สูงแล้วมันยังไงมันมันเหี่ยวมันมันเทาเลยมันมชอบลองใจหรือบินน้อยลงเลยบินน้อยลงเลยราะว่าจะก e d u l e ครับตัดขึ้นไม่มีคนบินและมันทาให้เราไม่ทุกข์นะตอนนี้เศรษฐกิจมันถดถอยเราลดรายได้เรากลับดีใจที่ เรารายได้น้อยลงแต่เรามีเวลามากขึ้นอจริงๆมองในทางธรรมะมันดีแต่ถ้ามองทางโลกนี่โอ้ยทุกคนวุ่นวายไม่เงินไม่พอใช้ไมเพราะคิดแต่ทางได้กิเลสอยากจะบวดเต็มทีร่รูคร้คะ่คะและ้วไแล้วเตรียมตัวไว้พร้อมให้เต็มที่นะครับปฏิบัติไปก่อน ปฏิบัติที่ในเพศกาะวาสตจให้ได้เต็มที่ก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนอ่ะเหมือนกับใบไม้เหมือนผลไม้บ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันสุกมันก็จะมันหยุดจับลั้วมันเองครับอย่าไปเขาเรียกว่าชิงสุกก่อนทำเดยที่ไปแล้วมันอาจจะไปไม่ไหวก็ได้กำลังไม่พอ อาจารย์จะมากระบอนนบาบอจารย์เองนี้ส่วกเวลาไหนครับอาจารบ่ายโมงขึ้นเลยวะทุกวันทุกวั น, นมาเลแล้วต่สภาพแต่แตดีสภาพทาตามแจ้งจางกกับิดบ้านไม่คุยกับใครอาจารย้มีลูกศิษย์หลายคนเข้ามาเช่าบ้านเกเท้าอยู่ที่บ้านเพิ่มแล้วนะ แล้ว เ, เขาก็การเช้ามาใส่บาตรเสร็จมาฟังธรรมเสร็จเขาก็กลับไปขังตัวเองอยู่ในห้องนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในห้องจนถึงมันเงยขึ้นเขาก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้เดขารู้ลแล้วว่าการปฏษษษษิบัตินั้นไม่ได้อยู่ที่วัดเพียงส่วนเดียวส่วนที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่ตัวเขาเองอยู่ที่เขาจะสามารถชำระบนทรียตาหรือสมุนลิ้นกายได้ไหรือเปล่าขังตัวเองไว้ได้หรือเปล่า ก็กำหนดบริเวณเลยบางทีก็ให้นั่งอยู่เก้าอี้บางคนก็บอกว่านั่งองเดียวถือยาบุนั่งเดียวแต่นั่งเก้าอี้แล้วไม่ได้นั่งคัตสมาต่หลับก็หลับเป็นคาเก้าอี้เนั้นก็นั้นก็เจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาสละกเงขัยยังเห็นอารมณ์แล้วขึ้นนิดนึงค่ะแต่ว่าหยุดไม่ได้เไม่เป็นไรสติยังไม่ทันสัญญายังไม่ทันทำจิตให้มันสงบได้เท่าไหร่แล้วมันจะช้าลง ปีเลดมันจะช้าลงแล้วปัญญาเราจะเร็วขึ้นทําจิตให้มันรวมลงให้ได้พอมันรวมได้แล้วทีนี้เวลามันเถอนออมานี่เราจะเข้าดูมันละมันเราเตะมันล้มละพอมันจะลุกขึ้นมานีเราคอยจ้องคอยจับมันแต่ตอนที่มันวิ่งอยู่นี่เราเราเราตามมันไม่ทันแล้วเราต้องเอาให้มันล้มให้ได้ทําจิตให้รวมให้สมดุลให้มุ่งให้ได้พอได้ตอนนั้นแล้วทีนี้หมัดต่อหมัดได้ครับ ตอนนี้มันเร็วกว่าเรามันใส่สิบหมัดเราใส่เรวไปออยเยอะ <c oughs> <c oughs> พยายามเจริญสติให้มากๆดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันดึนงด้วยพุโทโธก็ได้วันไม่รู้จะทำะํทททำอะไรก็พุทโธพุทโธไปทําอะไรก็ทําไปแต่ใจพูดโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดเรื่องไร้าสาระเรื่องต่างๆพุโทโธก็ได้อันนี้จังทุกครั้งอนักต า, าก็ได้เกิดแก่เจ็บตายก็ได้มันเป็นปัญญาเป็นธรรมะเป็น เป็นเป็นเป็นเครื่องมือที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องแล้วที่ไร้สาระจังนเวลาสามปีท่านอาจารย์ได้เป็นอาจารย์คณะอู้งไปหลายคนหลายคนนะหลายคนเสียสมาธิไปเยอะนะเสียสมาธิไปเยอะไปเร็วนะแล้มันทังตัวเองได้ไปเร็ว เราต้องการดึงเข้าข้างในถ้าเราอยาออกไปข้างนอกขึ้นท่านอยู่มันก็ยังไม่เข้าข้างในหลวงปู่เรือนท่านบอกจิตเข้าข้างในเป็นมรรคจิตออกข้างนอกเป็นสมุทัยท่านกระชี้ชัดอยู่แล้วท่านสอนแัดชั้นๆง่ายๆแต่ฟังฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจจิตต้องดึงเข้าข้างใน เข้าข้างในมันก็จะสมงบแต่เข้าข้างในด้านมันก็ต้องตัดข้างนอกออกไปตัดส่วนที่เราไปสุกพันอยู่ด้วยคุณเปิดเสีงงงยงฉนที่นั่งไม่ได้ยิน ม, ม, มีอันหนึ่งที่รูกกุศลเมตได้อ่านคือท่านพูดถึงเรื่องจิตที่เป็นเหมือนสเสมือนพลังบรรมีหนูตรงนั้นก็ยังไม่เข้าใจนะคะท่านแจนได้อ่านอันนั้นใช่ไหมครับใช่ใชท่ พูดดุน<ม>ค่ะ อ, อ, อันยากมากแต่ลูกก็ยังไม่เข้าใจท่านพูดเพื่อมันละเอียดยิ่งกว่าปารมนูแล้วมันก<ม>็ไม่ไม่ไม่ทราบเจตนาของคำพูดของท่านว่าท่านจุดนเต อ, อย่างไรคือท่านอธิบายลักษณะอของของของจิตในต่อที่ที่สุดท้ายของความละเอียดของจิตนี่ค่ะแบบมันละเอียดขนาดนี้ อันนี้ไม่กล้าที่จะไปเพราะมันข้อมูลมันไม่พอที่จะไปไปขยายความได้แล้วก็คำว่าปรมานูนี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นหมายถึงอะไรหมยถึงอะตองหรือหมายถึงอะไรอตองความความลึกของของที่มนันเป็นของ ทุกันุท่านบอกมันไวกว่าไวกว่าไวกว่าจิตแต่จินได้เลยมันไม่ทราบว่าท่านมันไม่เล็กก็ผูกเวลาอย่างนี้มันมันละเอียก็คือมันมันไม่ดีอะไรอยู่ในใจนะความละเอียดของมันก็แสดงว่ากิเลสมันน้อยลงไปเบาลงไปมันว่างมากขึ้นว่างมากขึ้นมันก็จะเอีดมากขึ้นไปองถ้าที่ถ้าที่ปฏิบัติเทนมา คามละเอียคคดของจิตหมายถึงว่ามันมันมีความสะอาดมากขึ้นมันมีอารมณ์น้อยลงไปเบาบางลงไปความทุกข์ความอะไรต่างๆมันน้อยลงไปนี่มันเล็กลงไปเรืเล็กลงไปเรื่อยเปล่ยนกระทั่งมันไม่มีอะไรเลยดังนั้นป่าจะมาถึงน้ำแได้ควาเอียคคดของจิตแต่แว่า แ, แล้วในขณะที่ความทันของของตรงนั้น มันทันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับท่านเองครัอย่างมันก็มันก็ทันมันก็ต้องทันตลอดเวลามันถึงจะคำจับมันได้ <Okay. S 2> แต่อาจจะไม่ตลอดเวลาอาจจะพังเสือบ้างอาจจะหลงบ้างก็ได้ค <Okay. S 2> อย่างที่ท่านเทศสอนว่าเวลาไปเจอวิชาเขา้าก็ไม่รู้ว่าเป็นวิชา <Okay. S 2> แทนที่จะเห็นว่าเป็นศัตรกูกลายเป็น <Okay. S 2> เห็นเป็น เป็นคพื่อนแต่เป็นเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องรักษาตอนตอนตอนต้นทันเแพทว่าเวลาปฏิบัติไปก็คิดเลออวิชชานี้เป็นเสือพอไปเจอตัวจริงมันเป็นเหมือนนางบางเงานางบางเงาก็ผู้หญิหายจีนตามคืนที่ยียนอยู่ข้างหลังตามเงาของเสาไฟฟ้าเงนเงีางบางเงาก็ <c oughs> <c oughs> แทนที่จะไปกลัวมันก็ไปรักมันไปดูแลรักษามันไปปกป้องแสดงว่าตอนนั้นมันไม่รู้มันไม่ถัามันไม่มีปัญญามันไม่รู้มันมันผิดมันผิดลาดไปคิดว่ามันเป็นตัวที่น่ากลัวเหมือนมหาโจรเห็นหน้าปุ๊บจะต้องรู้ว่าโอ้นี่ค้ออวิชชา มหาโจมสมายนี้กับใส่สูตรใส่ชุดใส่ชุดขับรถปรลาไี้อย่างนี้มหาโจมสมยัยใหม่พวนี้โกงโกงด้วยด้วยตัวเลขไม่ได้โกงด้วยปืนถ้ามีครูบาาจารย์ที่ท่านผ่านแล้วท่านคอย ที่แนวบอกไว้ก็ลยงหน้าเนี่ยเขามาถึงจุด น, น, นั้นก็จะเข้าใจทันทีอ๋อนี่ที่มันว่ามันละเอียดสกุล ม, มันมันสุดสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละตัวนั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวอวิชชาแต่เราไม่รู้ลราคิดว่าเป็นตัวนิพพานแต่เราไม่แต่เราถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้ว่ามันมันมีอาการเปลี่ยนแปลงเล็กเลกน้อย เดี๋ยวก็สดใสลวดบานเดี๋ยวก็เฉาลงมาพอมันเ้าแล้วก็พยายามเอาสติปัญญาเข้าไปรักษาให้มันสว่างให้มันให้มันสดชื่นหดวกบานขึ้นมาไม่ให้มันเฉาเหมือนกับไฟเวลามันจะมอดล้วก็รีบเอกเติมไปเติมให้มันให้มันสว่างขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริง เพราะมันยังต้องคอยมารักษาคอยมาเติมเติมเต่ความสุขนั้นอยู่มันไม่ได้เป็นแบบที่มันไม่ดีการเปลี่ยนแปลงถ้าวิเคราะห์หน่อก็รู้ว่านี่แหละคือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นตายรักถ้ามันอะไรเป็นตายรักมันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นตายรักก็แสดงว่ามันเรายังหลงยังติดมันอยู่ เรายังทุกข์กันอยู่ทุกเวลามันเชฉาเราไม่อยากให้มันเชฉาเราอยากจะให้มันสว่างสวายอยู่เราก็รีบเอาสติปัญญามาประคับประคองให้มันสว่างสวายขึ้นมาถ้าไม่มีใครสอนใครบอกก็คิดว่านี้ก็จะทํานี้ไปตลอดเวละคิดว่างานงานที่แท้จริงก็ไม่เยีอะไรเพียงแต่คอยรักษาตัวนี้ให้มันสว่างสวายให้มันรุ่งโรจน์อยู่ไปเรื่อย มันก็ยังไม่เสร็จภารกิจถ้าเสร็จภารกิจแล้วไม่ต้องทําอะไรที่ท <c oughs> ่านบอกวุติตังรำเมจาริยังจิตในตรวมจานี้เสร็จขึ้นแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องคอยสร้างความสุกเติมความสุขให้กับจิตไม่ต้องรักษาจิตมันจิตมันหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่จะไปเหยียบย่ำทำลายมันได้ เมื่อเข้าใจก็ต้องจ่อไปตรงจุดนั้นแล้วก็พิจารณามันเหมือนกับสภาวะธรรมอย่างอื่นเช่นเวทนาทางกายเราพิจารณาอย่างไรเราต้องปล่อยวางเวทนาทางกายอย่างไรเราก็ต้องปล่อยวางไอ้เวทนาในจิตตัวนั้นอย่างนั้นความสุขในจิตตัวนั้นก็ต้องปล่อยเวลามันจะเสื่อมมันจะหายไปก็ช่างมันอย่าไปรักษาหมดปล่อยให้มันเป็นไปเปลี่ยนไปของมันเองมันจะสว่างสไ外出ก็ปล่อยไปมันจะเฉาลงก็ปล่อยไป ให้ดูทันแล้วก็ปล่อยวางพอไม่ไปย่งกับมันแล้วมันก็มันก็จะไปของมันเองที่มันไม่ไปก็เพราะเราไปดึงมันไว้เราไปยึดไปติดมันมันจะไปอยู่แล้วแต่เราไปดึงมันไว้เมือเราเข้าใจนี้เราเราปล่อยตั้งเดี๋ยวไม่นานมันก็มันก็ลาจากเ้าไปพอมันไปนี่มันก็เหมือนกับอะไรทุกอย่างที่มัน มันก็มือฟ้าโมเดิงมันก็หายไปหมดเลยสว่างโล่งใสสว่าง <c oughs> ามันมันปฏิบัตเขาใสยังไงแล้วตอนนั้นมันไม่ยุ่งกับเรื่องอะไรอี้ยเรื่องเรื่องเวทเรื่องเวทนาทางกายเรื่องอะไรนะเรื่องทางกายยังไม่เกี่ยวความเรื่องอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่เกี่ยวเพราะมันจะมันจะเข้าไปตรงตัว ตัวที่มันสว่างสวยแต่พอถ้ายินได้ยินได้ฟังท่านพูดไว้ก่อนนะครับ่จากไม่่งานแล้วพอจิงจันนี้แล้วออตัวนี้แหละที่เราต้ององกังนดี๋ยนเป็นกานแล้วกันเนียแต่มันต้องผ่านกายผ่านวิทยาน ผัานผ่านกายผ่านเวทนาผ่านนามขันเข้าไปก่อนเราจะเข้าไปถึงตัวนี้อย่าเงี้ยเราเหมือนก็จะรูะ้ตัวนี้เองถ้าไม่มีใครสอนไม่เคยีใครับบอก <c oughs> ก็คิดว่าถึงจุดหมายปลายทางแนละ้ว <c oughs> แต่ว่ายังไม่ช้าเป็นยังเป็นเหมือนโปะให้ครอบตะเ ก, กียงอแก้วที่ครอบตะเ ก, กียงอยู่ <c oughs> ถึงแม้เราจะเช็ดมันจะทั้งใสสะอาดย่ังไงมันก็ยัง มันก็ยังมีเงาอยู่นิดๆแต่เรารู้ว่ามันมันไม่ว่างแก้วเราจะเช็ดได้แว่นตาจะเช็ดได้มันสะาดขนาดไหนเวลามองทะลุเข้าไปในแว่นตาเรายังรู้ว่ามันมีแว่นอยู่มันยังไม่เหมือนกับแม่คนไม่ได้ใส่แว่นมันไม่มีเลยไอตัวนี้ต้องให้มันทําให้มันหายไปให้ได้ให้มันสลายไปให้ได้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาให้มันเข้าใจให้มันเป็นใจรัแล้วก็ปล่อยวางมัน เขาปล่อยวางวันทีน oh, so sure <this> ึงก <the> ็จะแตกกระจายหายไปก็ไม่เคยคุยกับคนอื่นนะไม่รู้ว่าเขาหายยังไงบางทีพวกลุงยังไม่มีใครหายเล รู้สวรู้ี่มันห่างไกลกันมากเลยใช่คะยังดิเนเต้แบบนาถึัสัตว่ารู้ไ่มก็รู้ว่าเฉยๆไม่ได้มีอารมณกับกับสิ่งที่เรารับรู้่องต้นเลรื่องบอลอยู่ทองยังไม่ได้แต่งงานก็เฉยๆเหลตั้งทองแน้วคุหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งก็เฉยๆจะว่ารู้ ไม่ไดนมีความย้ติธรไม่มีความอะไรกับสิ่งที่เรารับไปถู ก, กวัตถุเรียนรางวัลที่หนึ่งก็ไม่ได้ดีใจก็เฉเฉลยไม่รู้จะไปทำอะไรพอเราก็อยู่ยดีโดยที่เราไม่ได้มีเงินเราก็อยู่ได้นะตลาดพอได้เงินมาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็ต้ปวดหัวทีวท่ว่าจะไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ <laughs> แต่ไม่ได้คิดว่าโอ้ยเราจะมีความสุขเราจะไปซื้อข้อาวซื้อของมาให้ความสุขกับเราไม่มีเนียถ้าจิตมันจับแต่ว่า้วลวมันจะไม่หิวกับอะไรทั้งนั้นมันมันต้องเป็นขึ้นมาเองในใจคือได้บำเพ็ญมาแล้วพอได้รับวิธีนะี้แนวทือคนพวกนี้ต้องมีสมาธิเต็มที่แล้ว เพวกเขาวกวัดปกญจวคีนี่เดี๋ยวคนที่ถามพระพุทธเจ้าคําสอนของพุทธเจ้าว่าจะปฏิบัติอย่างไรว่าท่านสอนตรงนี้ซับเนี่ยเขาก็มีเป็นตีรองรับอยู่เขามีสมาธิมีสิ่งรองรับอยู่เขาไม่ได้หิวไม่ได้มีความอยากกับอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเขายังมีไอ้ความอที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ในจิตในใจเขาอยู่ตรงนั้น แต่เก็ไม่ได้ยึดติดยึดต้องการอะไรจากสิ่งภายนอกอยู่แล้วพ <c oughs> อได้ยินได้ฟังได้เขก็เข้าใจวิธีที่จะทําใจให้ว่างไม่ให้มีอารมณ์ทำอะไรเลยก็ให้สักแงแต่อารมณ์นี้เั้นเองเหมือนเวลาที่อยู่ในสมาธิตอนั้นเราก็ไม่ดับรู้เรื่องเสียงกิก่งไม้ผระกรไม่รับรู้เรื่องร่างกายมันก็สักแต่วอารมณ์ เพียงแต่ว่ามันสักแต่ว่าเราอยู่ในได้ชั่วระยะหนึ่งพอมันถอนออกมาแเราไปรับรู้ <c oughs> กับรูปเ <c oughs> สียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็รับมันก็เริ่มปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นไปด้วยกับการรับรู้นั้นท่านกมาสอนว่าให้ระงรับการปรุงแต่งเวลารับรู้อะไรก็อย่าไปปรุงแต่งให้รับรู้เฉยให้ระงรับดับสังขารไว้ไม่ต้องไปดีใจเสียใจไม่ต้องไปยินดียินร้อน ่ในขณะที่เป็นสมาธิก็จับแต่ว่ารู้ได้แต่พอออกมาจากสมาธิแล้วรักษาความจับแต่วรู้นั่นไม่ได้พอเห็นอะไรแล้วทิ่งสายเดิมกิเลสมันมีอยูม่มันก็จะมันก็จะมีปฏิกิริยาตอบตอบลอกกับสิ่งที่ได้สัมผัสบางทีเห็นสิ่งที่รักก็ก็อยากได้เนือห่วงหรือเสียดาย เห็นสิ่งที่เกลียดก็อยากให้มันหายไปอยากจะ น, นี้จากมันไปตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าส า, าวสาวลูกนะเขาจะเป็นอยางานก็นเรื่องเก่าไม่สำคัญการที่เราไปมีปฏิจรยาเนี่ยเป็นพิศเป็นภัยกับเราแต่การที่เขาจะไล้จะจะจ ะ, จะเป็นอะไรก็จะทำาอะไเรื่องนี้ไม่ร้ายแรงเท่ากัาบเราทำตัวเราเองจมีปฏิเจรจยาปากโตกับสิ่งที่เราเป็นรับรู้ ท่านจารย์สังเกตด้วยจิตเนี่ยเวลาที่เดินปัญญาเนี่ยเออเรื่องสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันจะบางทีมันพาเข้ามามากเหมือนกันเลยคือเดินปัญญาไม่ต้องใช้สังขารหอเปล่าแต่ว่าบางทีมันออกไปแย่างกันไงกิเหลือมันขอยืนใช้มืนกัขับรถเนี่ยมีรถคันเดียวแต่คนสองคนขอยืมผัดกันใช้ถ้าปัญญาก็ผักขับมาวัดถ้าเป็นกินเลือก็ขับไปเข้าลงน้ำลงแล้วค่อยท่านจารให้ตีกรอบเนี่บางทีมันมัน ก็ดึงมันไวในกายลักอยู่เรื่ยๆให้อยู่ในกรอบนี้ต่อกรอบของสติฐานสีพิจารณาร่างกายนี้จพิจารณาในรูปแบบไหนก็ได้อาการสาสิทสองดินน้ำลมไฟจนกระทั่งเรามีกําลังพอที่จะบังคับให้มันคิดไปตามคําสั่งของเราได้ตอนนั้นแล้วก่เลสมันจะไม่มีแรงที่จะจะดึงไปให้ไปคิดในเรื่องอื่นได้เราบังคับได้ถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆใชว่าเราเทคโอเวอร์ภาษาธรรมะใหม่ คือเราต้องเป็นคนขับอ ย, บยู่ตลอดเวลาไม่นั่งขับแล้วก็ติดสายชแบล้วไว้ใสา่กุญแจล็อกไว้เลยใครจะมาขับรถคันนี้ไม่ได้เราจะขับคนเดียวความคิดของเราจะไปทางธรรมะอย่างเดียวในทางใตรักในทางบ่อยวางทำได้เพียงแต่ว่ามันช่วงระยะแรกนี้มันเหมือนกระแย่กัน ใครมีกำลังมากกว่าใครเร็วกว่าก็จะได้ขับใครมีกำลังน้อยกว่าก็ก็ต้องถอยออกไปแต่เราสามารถที่จะสร้างกำลังให้เอนมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการพยายามมีสติแล้วพยายามบังคับให้หลองคิดไปในทางธรรมะเช่นเริ่ม ต, ต้นก็คิดไปในทางพุโทโธก่อนนะครับถ้าพิจารณาไม่เป็นพิจารณาไปแล้วไม่เป็นับพุโทโธไปก่อน หรือท่องชื่อตายักไปต่างๆแล้วอ น, นิจจังทุกของอนนังนะเจ้าอนิจจังคือความไม่เทีงแท้ของความทุกข์ก็คือความเจ็บปวดเจ็บใจที่เกิดจากการยึดติดเกิดจากความโลภความอยากอ น, นัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นพวกบุญบังคับอยู่ไม่ได้สอนีย่นี้ไปก่อนก็ได้ให้มันยืนอยู่ในใจแล้วพอไปเจอของจริงแล้วก็พยายามใช้เงื่อ น, นี้อนิยทามันก็เป็นอ น, นัตตานะเป็นอนิจจัง มื่อก่อนนี่มันไม่เจ็บแต่ที่มันเจ็บเย้ะมันเปลี่ยนละเดี๋ยวมันเจ็บก็เดี๋ยวมันก็ไม่เจ็บได้มันก็พัยากันไปเราไม่ต้องไปยุ่งของมันปล่อยให้มันเปลนไปตามเรื่องของมันแล้วเราจะไม่สร้างความคิดขึ้นมาภายในใจของเราพยายามคิดไปในทางนี้อยู่ดีอันนี้เบืงต้นจะพิจารณาการสามจุดสองไปก่อนก็ได้ท่องไปก่อนก็ได้ผมขดเลือกฟังหนังเนื้อเอ็นกระเดื่อนี้ท่องไป ขั้นต่อไปอยากจะเห็นภาพก็นึกถึงภาพของแต่ละอาการถ้าไม่รู้เป็นอะไรก็ไปหาหาของจริงดูก็ได้ตามอย่างพยาบาลที่เขาผ่าศพไปดูให้เห็นชัดๆว่าตายเป็นยังไงตัดเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงหรือไม่อย่างนั้นก็หนังสือที่ที่ทิมมาแจกท่านก็มีให้เห็นเลยไม่ต้องไปก็ได้ตรงนั้นเอืก็ดูแล้วก็พยายามนึกถึนึกถึงชื่อเขาแล้วก็นึกถึงอาการนั้น ให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นนี่เยอะแล้วมันเหลือมันจะไม่สามารถที่จะมาเดิมจิตให้ไปเกิดความกำหนัดยินดีเกิดก า, ารมั่หาได้าเราปล่อยให้จิตมันไปไเปือเกิดเเราไม่เอามาเราไม่เราไม่เอามาให้มันตามตามคำสั่งของเรา ส่วนหนึ่งก็เพราะเราสิ่งแวดล้อมพอเราอยู่กับคนนั้นคนนี้เขาชวนเรื่องนั้นคุยชวนคุยเรื่องนั้นมรน่นี้กลับไปครับถ้าอยู่กับกลุ่มนักปฏิบัติเนี่ยที่เรานั่งฟังธรรมะวันนี้สองชั่วโมงนี้ก็เดึงมาแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวแ้วก็พอออกจากที่นี่ไปถ้าอยู่คนเดียวได้ก็กมีโอกาสที่จะเดินมาได้แต่มันก็ไม่ไม่ง่ายดึงได้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวกิเลสที่มันมีอยู่เดิ๋มันก็จะเดึงไป เราพอได้สติแล้วก็เดึนกลับมาคอยดูใจว่าเราก็ลังคิดอะไรคิดทางธรรมแล้วคิดทางกิเลสถ้ารู้คิดทางกิเลสก็บินกลับมาคิดทางท า, ทางธรรมเอาแต่คำว่าพุโทโธคำเดียวก่อนก็ได้ถ้าไม่รู้จะคิดอะไรเอาแต่พุโทโธก่อนก็ยังดีถึงแม้ไม่เป็นปัญญาแต่อย่างน้อมันก็เป็นสมาธิมันไม่ไปทางกิเลสแล้วเมื่อต่อไปเรา เรามีกำลังในการกควคุณความพุดของเาได้เราก็สามารถกำกวัตให้มันคิดเรื่องอะไต่างๆได้คิดร่างกายอาการสายติดสองอากาพเรื่องท่าสีนนาส ด, สดินน้ำไหเรื่องชาสดอะไรนี้เราก็บังคับให้คิดได้พิจารทางรรมอะไพิจาอริ ย, ยสัจสี่ <c oughs> เราต้องบังคับความคิดของเรา ขั้นนี้สอนให้พุโทโธทั้งวันี่ยเยออนุบาลเนี่ยขั้นต้นเลย<ม>ก็คือพุโทโธมันทั้งวันเนีอย่าไปลังเลยสงสัยว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผ ล, ลองทําดูเลยลองวันไม่ต้องคิดเรื่องอะไรถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดก็อย่าไปคิดอะไรพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทําอะไร<ม>ก็พุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นความเย็นความสงบปรากฏขึ้นมาถึงไม้จะไม่รวมดวงตาแต่มันรู้สึกว่ามันเข้าไปข้างในแล้ เวลาพุโทโธมากๆเข้ามานันเรก็เดินเข้าไปในถ้าแล้วยูกเสียงกินรสต่างๆรู้สึกมันจะผ่านไกลออกไปผ่านกายเวลาเดินไปไหนไม่ต้องไปมองหน้าใครเดินไปมองเท้าเราแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปไม่มีความสนใจต้องไปคุยกับใครทักทายใครแล้วถ้าจําเป็นก็เห็นข้ายืดหน่อยแล้วก็พอแล้วครับแล้วก็พุโทโธของเราต่อไปเราใจเราจะมีความสนุกทําการความ ความวุ่นวายต่างๆนอกตัวเราว่าใจเราไม่ออกไปรับเอาเข้ามาในใจเราเรามีพุโทโธไว้ดึงไว้เนี่ยปฏิบัติได้ในในชีวิตประจำวันของเรา ลองเอาไปทำตรงนี้คือการด้ไม่ท้าวหน้าม่วางงานท่านอาจารย์คะบอกคาเบียนทางนี้มันเคยฟังที่หวงตานะคะท่านบอกว่าวางภายนอกวางภายในอะไว่างภายนอกว่างภายในอะไว่างจากความโลกก่อนเลยว่างจาทความยึดจิดว่างจากการคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกเรื่องภายในก็ไม่ไม่คิดในตัวจับแต่ว่าเรื่องนี้ให้ให้ว่างคือ มีอะไรก็รู้สักแต่วรู้ทางนอกเป็นยังก็สักแต่วรู้ข้างในเป็นยังก็สักแต่วรู้ไปแต่ก่อจะถึงจุดตรงนั้นได้ก็ต้องดึงจิตให้มาทางธรรมะให้ได้ก่อนไม่ให้มันไปทางกิเลสเพราะตอนนี้มันจะเป็นอัตโนมัติมันจะไปทางกิเลสโดยอัตโนมัติพอเห็นอะไรปั๊มันจะไปทางกิเลสทันทีเราก็ต้องดึงมาทางธรรมะก่อน พอเดินมาทางธรรมะแต่กทางมันไม่ไปทางกิเลสแล้วเราก็หยุดทางธรรมะเพราะธรรมะนี่ก็เป็นเพียงยาแก้กิเลสเท่านั้นเองพอพอกิเลสมันจิตมันไม่ไปทางกิเลสแล้วธรรมธรระก็หมดหน้าที่ก็สักแต่ว่าลนยได้เฉยๆได้ตลอดเวลาแต่ถ้ามันตุกไปทางกิเลสก็ต้องเอาทางธรรมะขึ้นมาทันทีเช่นอยากจะไปเที่ยวมันก็ต้องเดินกลับเข้ามาทันที พอต่อไปมันไม่อยากจะไปเที่ยวแล้วทํางธรรมะก็ไม่ต้องมีหน้าที่ทา ง, งานหยุดนะธรรมะมีหน้าที่ต่อเกเรตเท่านั้นเองธรรมะก็เป็นมรรคเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลมรรคผลนิพพานพอได้ผล ไ, ได้ผลได้นิพพานแล้วมรรคก็หมดหน้าที่ไปเดี๋ยวนั่งรถมาที่นี่ <c oughs> เวลาที่ยังมาไม่ถึงที่นี่ก็ต้องนั่งยืนรถมาจนกว่ารถจะจอด พอถึงแล้วเราก็ต้องลงจากเราไม่ไปติดอยู่กับเราเมื่อเราถึงที่เราได้ผแลแล้วเราก็หยุดพิจารณาได้แล้วเราหยู่ต่างสติอยูุทอะไรได้หมดแล้วมันไม่มีอะไรก็จะต้องทำํำเราถึงที่ของเราแล้ว <c oughs> ถึงเป้าหมายของเราแล้วได้ผลแล้ว <c oughs> แต่ยังไม่ได้ผลนี้ก็ต้องเจริญมากให้มากเจริญมากให้เต็มที่ จิจในริยะสั้นสื่มักต้องเจริญให้มากต้องเจริญให้สมบูรณ์เพื่อที่จะเอาไปละกิเลสกิเลสต้องละนี่โรดต้องทําให้แจ้งนี่โรดจะแจ้งได้ก็ต่อเมื่อได้ละกิเลสกิเลสจะเอะ่จะละกิเลสได้ก็ต้องมีมรรคจะมรรคคิดไปในทางมรรคอย่าไปคิดในทางกิเลส อยากไปคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไหญ่อยากโตอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอยากร่ำอยากรวยนี่คิดไปทางกินลสเท่านั้ต้องคิดว่ามันไม่เที่ยงเป็นแค่สมมุติเป็นหัวขงมันมันไม่ถาวรรวยมากน้อยเท่าไหรพอถึงอายุขายของมันมันก็จบบทไป เงินทองหาไมา่ได้เท่าไหร่เวลาตายไปก็เป็นของคนอื่นไป <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเลยเก็ ต, ตัวไปกลับมาเกิดก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้ามีธรรมะติดไปกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องเริ่มต้นที่ศีลเริ่มต้นต่อจากที่เราได้ทำทีงไง่ไหเพราะมันติดอยู่ในจิตเราแล้วถ้ามีสมาธิก็จเจริญปัญญาได้เลยไม่ต้องมายั่งทาสมาธิ คนเราถึงมีมีภาวะทางด้านธรรมะต่างกันบางคนก็ยังต้องทางทา ง, ง, ง, งาบางคนยังต้องรักษาศีลบางคนยังต้องเรีนสมาธิบางคนนี่พอฟังธรรมก็บรรลุได้เลยเพราะว่างานทางด้านจิตใจนี้มันไม่มันไม่สูนไปกับผ่านตายของร่างกายเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจไม่ไดไม่ได้เปลี่ยนไปจากการการตื่นไปของร่างกายแต่ใจต้องไปหาที่มาอยู่เท่านั้นเองและพอมีโอกาสที่จะได้มาเป็นมนุษย์ได้มาปฏิบัติก็จะต้ปฏิบัติต่อไปถ้าไปถึงขั้นที่ไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครชวนใครจุดใครลากก็จะไปของตนเองแต่ยังอยู่ในขั้นที่ต้องมีคนคอยชวนคอยช่รยากอยู่ก็ต้องรอจังหวะมีคนมาชวนถึงจะไป จนดีกว่าคนที่ชวนแล้วไม่ไปเลยแสดงว่าไม่มีอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นเรามาสร้างบุญบา ร, รมีสร้างสร้างการพัฒนาจิตใจนี้ดีกว่ามันไม่สัญหายมันไม่ขาดตอนมันไม่เหมือกับสร้างราบยศแต่ละแสนจบพอมันพอมันจบพอมันหมดแล้วมันก็กลับมาใหม่ก็ต้องมาสร้าง ให้พรนะยะท้าวอะิวะอตุระปริปุเรนติสักะลัเอวเมวะอุดโจนัเตตานัอุตกปเต เอจิตังปัติตังตุนหังพิเภะเมวะสนิจฉะตุลภเพโเรหตุสังคปะจันโทปัญหาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโขวินัศตุมาเตภวทวันตารโยสุขีจุขายโกภวา าพิวัฒนสีมิติยังวุธาปจายุโนจตาโรโธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัง น, นี้เป็นไดเรเมตตาเปองความเสื่อมซึ่งความจริงนะ ล, ลูกไปบ้านา <c oughs> าปแาปดท<ช>ไม่มี้ลูกไมู่ว่าเสื่อมไปมา่อไหร่ทั้งหลาที่หญิงเสื่อมไปแบบไม่เห็นเดินเลยแล้วมัน<ช>ทำให้ลูก เจ้าหมองมากเป็นธรรมดาเพราะว่าเด็กกระจายที่ชารักษามันไม่เสร็จเลยทุกบาทการเ้าไม่มีกำลังวังชาที่จะไปควบคุมดูแลได้เหมือนเมื่อก่อนคือข้างในด้านด้านชาหนึงเป็นเหมือนเดิมแต่ด้านผูอย่างเนี้ยเขาปลูกสร้างเหมือนสลัมเลยก็เลยว่านี่แหละใช้ปัญญาที่จาน่าจะจะได้ผลการรู้ผลการู้ เราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้แล้วเราไปทุกคนเนื่ออะไยางเราไปอดูตาแล้วูปต่างกับเมื่อ่อนไม่ไม่เหมือนแล้วต่างกับเมื่อก่อนมัแ้บไม่เหมือนนลวาั่มเแล้วต่งกัม่ไม่กนแล้วกัม่นไแ้กบมืมนกนแ้วับกนมนวับเกนหันลตงบเมื่อก่อนเหมือนก้่กเอนหนกันแ้กบเอหมือนกันง ของหลวงปู่เทพหลวงสุทธาแล้วก็การที่ท่านอยู่ท่านมีกําลังมาจากเวลาก็เรียบร้อยอยู่แต่ท่านไม่มีเรื่อง ม, มีแรงก็มันก็ต้องเป็นไปตามสภาวะของจิตใจของคนที่เข้าก็อยู่นั่นแหละจิตใจของเขาเป็นอย่างไ น, นเขาก็ต้องทํา อ, อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้แต่เราอยากไปไปไปมีประฏิทธิตรยาเขาเนี้ เราแ ต, ต่เรารู้แล้วตรงสังเวชความไ่ความไม่เที่ยมันเป็นอย่างนี้ออนาตตามันเนองนี้เองมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะาไปควบคุมบังคับเหมือนได้เพราใจเราชอบพลิกไปในทางที่เด่นยึดติดอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่เขาเป็นที่เล่นแล้ว เราไม่ได้มีใจรักควบควบคู่ไปกับความคิดของเราความคิดของเราไม่ได้ไม่ได้ติดฉลาดอ น, นิจังทุกข์หายตาเวลาเรากินยาเรายังเปิดยายังเดินที่ขวดเยอะฉลาดฝันให้หมดอายุเวลาเราคิดเรนไม่คิดว่ามันเป็นใจรักมั้อะไรมันก็เป็นใจรักอะไรนะเราไม่รู้ใครอยากจะถามอนะไร ตัวนั้นถ้าจำขังอามาคิดในทางทําได้ที่อย่างนี้มารูปประคั่แล้วก็สัญญาเวทนาวิญญาณก็มาใช้ในทางทําได้เช่นกันใช่ไหมเจ้าคะได้แต่ตัวที่จะใช้จริงๆก็ตัวสัญญาแต่สังขารเพราะว่าเป็นตัวที่จะคิดหลงแต่งขึ้นมาสัญญาก็คือจําถ้าเราจะจําก็จําเรื่องธรรมะอย่าไปจําเรื่องจุดเดชถ้าเราจะคิดก็คิดยังธรรมะ ส่วนวิญญานี้เป็นตัวรับรู้สเดๆตัวที่เราต้องการให้ให้ทําหน้าที่ถ้าสัญญาสังขารไม่ทําหน้าที่ก็มีแต่ตัววิญญาณตัวนี้แหละที่จะเรียกว่าสักแต่ว่ารู้วิญญาณนี้จะรับรู้รับภาพรับเสียงรับรูปรับกลิ่นอะไรต่างเข้ามาสู่ใจแล้วพอมาเข้ามาในใจแล้วสัญญาสังขารมันก็จะรับรูปต่อถ้าเราควบคุมสัญญาสังขารให้มันรับรู้ไปในทางธรรมะได้หรือให้มันหยุดได้ ก็มีแต่วิญญาณที่ทําหน้าที่อย่างเดียวถ้าวิญญาณทําหน้าที่ดอย่างเดียวเวทนาก็จะเป็นอุดเบีขาจะเป็นไม่สุขไม่ทุกข์จะเฉยเไม่เบี่ยงเบนฉะนั้นวิญญาณจะเป็น ญ, ญาณเป็นตัวตัวแรกเป็นดักรแรกที่รับเรื่องราวต่างๆเข้ามาตัวที่ทํางานสําคัญก็สัญญาสังขารถ้าเราดับไปสองตัวนี้ได้พวกเป็สัญญาสังขารได้เวทนาก็จะไม่สุขไม่ทุกข์ ถ้าสัญญาสังขารคิดไปในทางที่ดีก็เกิดความสุขใจขึ้นมาคิดไปในทางที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันพอเกิดความสุขใจมันก็เกิดความยึดติดพอเกิดความทุกข์ใจมันก็เกิดความอยากให้มันหายไปความทุกข์มันก็กลายเป็นสมุทัยขึ้นมาเป็นความทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาชั้นหนึ่ง แต่ถ้าเราสัตแต่ว่ารู้คือวิญญาณรับรูปรับรับรับข้อมูลมาแนละ้วก็หยุดตรงนั้นสัญญาสังคายไม่ต้องทํางานพอละเห็นแต่รู้ว่ารู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับมันนนะั้ก็จบแต่สัญญาของเรานี่มันร้ายมันจะมองเห็นอะไรเนาะมันจะว่าเป็นตัวเราของเรามันต้องดีมันต้องอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นม า, าทันทีนี่คือตัวสัญญา เคเห็นว่ามันดีเด่นมันไม่ดีนี่มันก็เป็นัยางมาเปรียบเที่ยวแล้วส้นขาดมันก็ปรุงแต่งแล้วผลสู่ใจขึ้นมาเสียดายเสดาอแต่วิธีปฏิบัติเราไม่ต้องมามันไม่ต้องมาคอยคอยแยกแยกมันทํางานของมันโดยธรรมะหน้าที่ของเราคือขยับอัดธรรมะเข้าไปในใจเราเยอะๆให้คิดแต่เรื่องธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วตัวนี้มันจะทําหน้าที่หยุดทุกอย่างได้เองที่สุด อะอันนี้จังทุกขรังหน้าตาเขาไปเรื่อยๆอดเดิมเขาไปเรื่อยๆอดเดิมมันจะหยุดเองทุกอย่างมันจะจบถ้าเกิดว่าจิตมันเรียนรู้เอแล้วก็มันหลงเองมันถูกสอนข้อมูลใหม่ข้อมูลเก่ามันจะมันจะมันจะอยากได้ให้อยู่มันานให้เป็นสุขให้ใหมันดีอยู่เรื่อยๆแต่พอข้อมูลใหม่เข้ามาบอกมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆพอมันจะยังต่อไปสังคัรมันก็จะหยุดอย่าง มันก็เจออ่ะเป็นยังไงก็เป็นไปกอะไรจะเกิดจะเกิดอะไรจะเป็นก็เป็นแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเห็นอะไรจะต้องรีบจัดการแก้ไขทันทีถ้าแก้ไขไม่ได้ก็หดหูใจกระจายนะกระจายนะ